เรียนธรรมะเนี่ยมาเรียนเรียนก็เรียกอะไระเรียนสร้างเหตุเพื่อไปสู่ผลเป็นเรื่องของเหตุของผลจริงถ้าพูดให้ชัดเจนอีกหน่อยเ็เรียกว่าเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยเหตุกับปัจจัยเนี่ยไม่เหมือนกันทีเดียว ภาษาไทยนี่ใช้แทนกันได้เหตุเป็นเหตุเป็นปัจจัยแต่เหตุกับปัจจัยเนี่ยถ้าเอาแปลให้เคร่งครัดตามศัพท์แท้ๆเนี่ยนะเหตุเนี่ยจะมีความหมายเฉพาะมากกว่าปัจจัยจะมีความหมายกว้างกว่าเช่นเม็ดมะม่วงเมล็ดเมล็ดมะดมะ่วง เ, เ, เ, เป็นเหตุ ให้เกิดต้นมะม่วงแต่ถ้าว่าเป็นปัจจัยเนี่ยนะมเมล็ดมะม่วงอย่างเดียวไม่เป็นไม่ไม่ได้เป็นไม่สามารถทาให้เกิดต้นมะม่วงกินมาได้ต้องมีปัจจัยอีกหลายอย่างต้องมีอะไรมีดินมีน้ำมีอะไรอีกแสงแดดปุ๋ยแล้วก็ต้องมีความสม่าเสมอในการได้สิ่งเหล่านี้ แล้งจัดจัดก็ตายได้ข่าวว่าปีนี้ทุเรียนรับแลตายไปหลายต้นทำให้เมืองจันได้รับอ น, นิสง์ทุเรียนแพงที่ทราบตรงนี้เพราะว่าวันนี้เพิ่งไปงานผ้าป่าที่มีพระจากหลายจังหวัดมารวมกันพระจากอุตรดิตมาเล่าให้ฟังว่า ทุเรียนรับแลตายไปหลายตน้นเพราะทุเรียนรับแลไม่เหมือนทุเรียนเมืองจันทุเรียนเมืองจันทเนี่ยเป็นระบบสวนที่มีแหล่งน้ํำมีแต่ละสว น, นยจะมีสาบน้ําสํารองฝนแรงก็สูบ ป, ปีนี้ก็คงจะสูบจนบ่อแห้งปีนี้แรงมากส่วนที่รับแลรู้จักรับแลป่ะอุตรดิษฐ์ เมื่อก่อนจะมีนิยายเรื่องเมืองรับแลมีแต่ผู้หญิงเป็นใหญ่ที่นั่นเมืองรับแลเมืองรับแลเรื่ออะไรอำเภอรับแลมีทุเรียนมีชื่อเสียงแต่ทุเรียนของเขานี่ปลูกบนเขาพอแรงก็แรงไม่มีใครรดน้ำตายพูดถึงเมืองเมื่อกี้นี้เพิ่งเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยเนี่ย พุทธศาสนาเป็นศาสนาของเหตุและปัจจัยไม่ใช่ไม่ใช่ได้อะไรมาด้วยการร้องขอไม่เหมือนศาสนาอื่นที่คอยอ้อนวอนวิงวอนร้องขอแต่ศาสนาพุทธเนี่ยจะต้องการผลอะไรต้องให้รู้เหตุและปัจจัยที่จะให้สูส่ผลนั้น แล้วไปทำเหตุไม่ใช่หวังผลแล้วอ้อนวอนหรือนอนฝันเพื่อให้ได้ให้ได้ผลที่ต้องการ <c oughs> เมื่อเร็วๆนี้มีคนจีนตายไปคนหนึ่งจริงๆคนจีนมีหลายร้อยล้านมันตายเรื่องปกติใช่ไหม <c oughs> <c oughs> <c oughs> แต่คนจีนที่ตายเนี่ยมาเมืองไทยมาเมืองไทยแล้วก็เรียนธรรมะ กับครูบาอาจารย์ช่วยทำคอร์สให้กับคนจีนทำเป็นเหมือนอะไรเสียสลัมาอยู่ก็ลำบากมาอยู่เมืองไทยอยู่แบบลาบากนะั้งทั้งีง้รวยนะเป็นคนรวยมาอยู่เมืองไทยก็อยู่แบบลาบาก เวลามีคอร์สอะไรตาร่างจังหวัดที่เป็นธรรมะของผู้บาอาจารย์นี่นะก็ติดตามไปมีครั้งหนึ่งก็มาไปไปร่วมจัดคอร์สไม่ใช่ร่วมไปเขานิมนต์ให้ไปบรรยายที่นครสวรรค์คนจีนเนี่ยมีสองคนไปด้วยกันเดินทางด้วยรถเมล์จากศรีราชา ไปต่อที่กรุงเทพจากกรุงเทพต่อไปที่นครสวรรค์ยังไม่ถึงปลายทางนะจากนครสวรรค์ต้องรอรถที่นครสวรรค์กลางดึกจะเปิดห้องพักก็ไม่คุ้มก็รออยู่ที่สถานีนั่นแหละจนกว่าจะมีเที่ยวรถเช้าเพื่อจะไปปลายทางทรดมาก ด้วยความศรัทธาแล้วก็ด้วยวิริยะที่เขาทำแล้วก็ด้วยเสียสละเนะตอนตายเนะี่ยครูบาอาจารย์บอกว่าไปได้ดีกว่าคนไทยหลายคนตอนจะตายตอนจะตายเนยนะตายแบบคนคาดไม่ถึงคือเห็นว่าอย่างสาวๆอยู่ไม่ได้จะตายบนปวดหัวปวดหัวแล้วก็ ไ ม, ไม่หาไหาหมอคนก็แนะนำว่าให้ไปหาหมอก็ทนไม่ไม่ไม่ยอมหาหมอทั้งที่โรคเนี้ยจริงๆหาหมอนะรักษาง่ายมากกินยากินยาปฏิชีวนะนิดเดียวก็แก้ได้เป็นเกี่ยวกับอักเสบที่สมองแต่แกก็ทนปวดวันสุดท้ายสองวันสุดท้ายเนี่ยปวด กิจวัตรประจําวันของเขาเนี่ยต้องไปที่วัดไปที่วัดครบาจารย์ไปคูบาอาจารย์ไม่ได้แสดงธรรมก็จะไปทําบุญใส่บาตรมีขาดไปสองวันพอวันที่สองเนี่ยเพื่อนเพื่อนผู้ชายที่บวชอยู่ก็ผิดสังเกตขาดไปสองวันเนี่ยผิดสังเกตแล้วขาดวันแรกก็เป็นห่วงแล้วนะเพราะมีกิจวัตรเป็นประจําที่มาวัด วันที่สองักไม่ดีแล้วขอร้องให้คนไทยให้ช่วยดูที่พักทีคนไทยก็คนนั้นก็เป็นหนึ่งในเจ้าของที่ที่อยู่ที่อาตมาพักอยู่เนี่ยที่สวนธรรมประสานสุขไปก็พบว่ากำลังเข้าใจคำว่าหายใจรวยริน คุยมหายใจรุรินเป็นไหมหายใจแผ่วแผ่วลขดจะขาดใจอยู่แล้วก็ช่วยเรียกให้คนข้างห้องเป็นคนข้างๆกันไปช่วยคนข้างบอกโอ้ช่วยไม่ไหวมั่งเรียกรถรถพยาบาลดีกว่ารถอะไรก็แล้วรถเอมบลแอนซ์แต่คนที่ไปดูเนี่ยบอกว่าไม่ได้แล้วรอไม่ได้แล้วมันต้องไปเดี๋ยวนี้ก็ขอแรงเขาอีก ช่วยกันพยุงหิ้วปีกไปบอกตอนขยับตัวเนี่ยน้ำเหลืองไหลมาแล้วน้ำหนองน้ำหนองไหลออกมาเลยเขาก็ทำเหตุปัจจัยอย่างหนึ่งคนที่ไปช่วยนะนะทำเหตุปัจจัยอย่างหนึ่งคือเตือนสติว่าให้นึกถึงหลวงพ่อเอาไว้ <c oughs> พอมีคานี้ขึ้นมานะจากจิตที่มันยัง เบลอๆฟุ้งๆกระจายกระจายได้ได้ตัวกระตุ้นขึ้นมาว่าใช่ต้องไป <c oughs> นึกถึงหลวงพ่อก่อนแล้วด้วยความที่ตัวเองมีศรัทธาคุ้นเคยกับวัดนึกถึงหลวงพ่อก็ไปได้เลยระหว่างที่อยู่ในรถระหว่างเดินทางไปโรงพยาบาลตายตายในรถแต่ได้เหตุปัจจัยจากคนที่คนไทยที่ไปช่วยบอกให้นึกถึงหลวงพ่อเอาไปนะ ไปได้ดีดีมากๆเนื่องด้วยว่าบารมีที่สร้างสร้างให้กับคนหมู่มากเขาสร้างให้กับคนชาวจีนซึ่งได้รับผลจากการกรรทำของเขาเนี่ยเป็นหมู่มากบารมีเยอะก็นับว่าน่าเสียดายที่ตายตอนอายุยังน้อย แต่นึกย้อนจทีโอ้คุ้มแล้วเพราะเราบอกไม่ได้ว่าเขามีเหตุปัจจัยอะไรทำให้ต้องอายุสัน้นนะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยที่มาทำให้มีชีวิตเหลือแค่นี้แต่ถ้ามีชีวิตอยู่แค่นี้แล้วไ ม, ไ, มไม่ได้มาเมืองไทยไม่ได้มาเรียนธรรมะนะก็ตายแบบคนทั่วๆไปก็ไม่ได้สร้างบา ร, รมีเรียกว่าโอ้ฟังแล้ว อืมเอาให้ได้เอาให้ได้พวกเราเอาให้ได้อย่าง น, น้อยอย่าให้แพ้นี่พูดด้วยให้เกิดมานะนึกกับนึกออกไหมมานะนี่คือมีความถือตัว เ, เปรียบเทียบคนไทยเนี่ยจะคุ้นเคยกับวิธีนี้ให้เกิดมานะก่อนแล้วจะได้เกิดปิริยะมีความเพียรคนไทยเลยใช้คําว่ามีมานะภาคเพียรอย่าแพ้เขานะ เราอยู่ในตระโกนนี้อย่าให้แพ้คนอื่นคนหน้าอย่าให้เสียชื่อวงตระโกนนะนี่คือให้เกิดมีมารณ์ขึ้นมาและให้มีความเพียรบากบันสร้างเนื้อสร้างตัวประมาณอย่างนี้อย่าให้เสียชื่อโรงเรียนเรานะนี่ให้เกิดมารณ์ขึ้นมาว่าชั้นเป็นลูกศิษย์โรงเรียนนี้นะอย่าให้เสือเสียชื่อมหาวิทยาลัยนะให้สร้างให้มีมารณ์ขึ้นมาจริงถ้ามันไม่ต้องอาศัยมารณ์นี้ถ้าทําได้ดีกว่าอันนี้เรื่องของเหตุ ป, ปัจจัย เอามานะที่เป็นอกุศลมาเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดกุศลก็ได้แต่ต้องใช้ให้เป็นแล้วต้องรู้ว่านี่คือเป็นอกุศลนะมา n a เป็นตัวอกุศลใช้มันตลอดไปไม่ได้ต้องให้รู้ด้วย <c oughs> ในทางพุทธศาสนาเนี่ยสอนเหตุปัจจัยนะนะไม่ได้สอนแบบว่าเหตุเดียวแล้วให้เกิดผลเดียว แล้วก็ผลเดียวไม่ได้เกิดจากเหตุเดียวงงไหมเนี่ยงงไหมเหมือนอย่างมาเมล็ดมะม่วงให้เกิดต้นมะม่วงเนี่ยนะอันนี้พูดแบบเหตุเดียวผลเดียวมันมาจากหลายเหตุหลายปัจจัยไปสู่หนึ่งผลแต่ในหนึ่งผลก็มาจากหลายเหตุและปัจจัยนะในเหตุปัจจัยแต่ละอันเนี่ย ก็ไม่ได้ไปสู่ผลเดียวไปสู่หลายผลเช่นจะปลูกมะม่วงต้องรดน้ำรดน้ำา เ, เนี่ยมันไม่ได้เป็นเหตุปัจจัยให้ต้นมะม่วงงอกงามอย่างเดียวมันทำให้ดินชื้นด้วยทำให้มีไส้เดือนด้วยนึกออกไหมมันมีเหตุปัจเหตุอย่างเดียวไปถึงผลหลายอย่างผลหลากหลายความ ความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าก็คือว่าพระองค์ทรงรู้เหตุปัจจัยเหล่านี้แล้วบอกให้เราทำเหตุปัจจัยเพื่อให้ถึงจุดหมายคือความพ้นทุกข์ศาสดาอื่นรู้เหมือนกันว่าจะต้องพ้นทุกข์มีมีมีเป้าหมายเดียวกันนะต้องพ้นทุกข์จะต้องไปพ้นทุกข์ให้ได้แต่ไม่รู้เหตุปัจจัย ความอาาัศจรรของพุทธเจ้าคือรู้เหตุปัจจัยแล้วบอกไม่บอกทั้งหมดสําหรับหนึ่งคนบอกเพียงบางอย่างพอที่จําเป็นสําหรับเราถ้าในทางอภิธรรมเนี่ยจะต้องเรียนรู้ทฤษฎีที่เป็นความจริงเลยนะเรื่องของเหตุปัจจัยเนี่ยมากมายเลยเคยฟังสวดอภิธรรมไหมเหตุปัจจโยอารมณปัจจโยโอ ถ้าแบ่งเป็นคำพีนโะยมจะเห็นที่นี่มีปะพระไตวิโดกอยู่ข้างล่างนะลองไปเปิดดูนะเล่มเดียวไม่พอเล่มเดียวที่ว่านี่เล่มหนาขนาดนี้เลยนะยังไม่พอมันต้องแบ่งเป็นสองภาคปัจฐานนะ่ยคำพีสุดท้ายเลยนะ่ลองไปเปิดดูเปิดดูแล้วจะรู้ว่าโอ้โหมันหลากหลายมากเรื่องของปัจใจ บางคนต้องการผลหนึ่งนะแล้วก็ไปทำเหตุหนึ่งแล้วมารู้ภายหลังว่ามันมีผลอื่นด้วยเช่นในวงการหมอเนี่ยนะว่าจะมีเมื่อก่อนนี้ถ้าเป็นไข้ชาา in, ใช้ยาแอสไพรินใช่ไหมแอสไพรินฮะนี่เรา ใช่ไหมแล้วต่อมารู้ว่าแอสไพรินหนึ่งเหตุเนี่ยมีนอกจากจะลดไข้ได้แล้วมันทำให้เส้นไอเม็ดเลือดไม่ไม่จับตัวไม่แข็งตัวชักเป็นอันตรายก็ละงับไปแล้วไปใช้พาราไม่ใช่ยางพารานะพาราเซตามอลต่อมาทราบว่า เอาแอสกปลึงก็มีประโยชน์เรื่องการละลายริ่มเลือดก็เอามาใช้อีกแบบหนึ่งไม่ได้ใช้ลดไข้ละในหนึ่งเหตุมีหลายผลที่เมืองจีนสมัยเหมาเจ๋อตุงรู้จักไหมเหมาเจ๋อตุงรู้จักปะ ไม่เคยเจอใช่ไหมไม่ทันเกิดไม่ทันช่วงที่เหมาเจะ๋อตรงมามีอำนาจปกครองจีนใหม่ๆคอมมิวนิสต์เนี่ยก็จะเน้นไปที่คนสองก็เรียกสองอะไรสองสองจำพวกคือชาวนาชาวไร่กับกรรมกร ในชาวนาชาวไร่เนี่ยเขาก็เน้นไปว่าจะเพิ่มผลผลิตในเรื่องของกรรมกรก็จะไปไปเน้นเรื่องว่าจะทําอุตสาหกรรมให้เกิดขึ้นเพราะว่าเห็นว่าชาติตะวันตกเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองแล้วมารังแกจีนได้เพราะว่าเขามีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมก่อนเพระฉะนั้นเดี๋ยวจีนจะต้องพัฒนาอุตสาหกรรมให้เมืองทั้งหลายเนะี่ยมีปล่องควันของโรงงานให้ทั่วเลยประมาณนี้ ตอนนั้นคิดว่าอย่างนั้นนะตอนหลังต้องต้องเอาพวกนี้ออกเอาจากเมืองออกไปข้างนอกเพราะว่าสร้างสร้างอุตสาหกรรมก็จะมีผลเรื่องของมลพิษสําหรับกรเกษตรกรก็พยายามที่จะให้ได้ผลผลิตเยอะๆกะเกษตรกรหลักก็คือชาวนาก็ต้องให้ได้ข้าว ให้เยอะอะไรเป็นศัตรูของการผลิตข้าวนี่บ้างพบว่าศัตรูตัวหนึ่งคือนกกระจอกรู้จักนกกระจอกปะนกกระจอกคือนกตัวเล็กเล็ภาษาอังกฤษเนี่ย sparrow ใช่ <c oughs> <c oughs> ไมนนะหมใค่ ใครรู้ภาษาจีนช่วยแปลกลับไปเป็นภาษาจีนทีนกกระจอกตัวเล็กๆมันชอบมาจิกกินจิกกินมเมล็ดข้าวจิกจากรวงเลยก็มีเวลาเวลาตากไว้ที่ลานก็จะมาตามจิกด้วยมากินถือเป็นสตรูพืชอย่างหนึง่งทำยังไงให้นกกจอกนี่หมดไป ถ้านกกระจอกนี่หมดไปก็จะทำให้ผลผลิตไม่ถูกขโมยตั้งแต่ตอนอยู่เป็นรวงแล้วก็ตอนตากวิธีที่กำจัดนกกระจอกเป็นวิธีเฉพาะของจีนชาติอื่นไม่น่าจะทำได้เขานัดกันนี่วิธีคิดเขานะคือ นกกระจอกเนี่ยถ้าเราไปไล่มันมันก็จะบินหนีใช่ไหมถ้าเราไล่มันเรื่อยๆมันจะบินอยู่เรื่อยๆไม่มีที่เกาะแล้วมันจะเหนื่อยตายแปลได้ปะวิธีนะ แค่คิดเนี่ยนะก็อัศจรรย์มากเลยนะเพระอามาอ่านนะโอ้โหคิดได้ไงเนี่ยวิธีกําจัดนกกระจอคือไล่นกกระจอกมันเกาะต้นไม้ไล่มันมันมันเกาะตรงไห น, นไล่มันทําเสียงดังๆจุดประทัดของเมืองจีนประทัดเยอะไล่มันจริงไม่ต้องจุดประทักดก็แค่ปลบมือไล่อะไรเงี้ยมันก็ไปแต่ว่าไม่ให้มันเกาะไม่ให้มันเกาะเลยนะ คือไม่มันพักเลยต้องไล่และให้มันเหนื่อยตายอ่านตัวนี้ว่าโอ้โหมันคิดได้ยังไงนะอัศจรรย์กว่านั้นคือนัดแนะให้ทําและทําได้ด้วยนัดแนะให้คนจีนช่วยกันทําปรากฏว่านกตายเป็นล้านล้านแล้วเขานับเดือนนั้นอาจจะมาจำไม่ได้จําตัวเลขไม่ได้เก้าร้อยกว่าล้านประมาณเนี้ อัศจรรย์ว่าทำสำเร็จแล้วอัศจรรย์อย่างคืออุาสานับได้เลยปรากฏว่าหลังจากที่นกตายมันไม่ได้ตายแล้วก็ข้าวงอกงามและผลผลิตเยอะแยะพอนกตายมแมลงมามแมลงมาตั๊ ก, กแตนมาคราวนี้เล่นยากกว่านก จะไปตบมือไลไม่ไปแล้วปรากฏว่าทำเหตุหนึ่งได้หลายผลแล้วก็ผลที่ไม่ต้องการโดยซ้ำไปอันนี้เรียกว่าความที่ไม่รู้เหตุปัดใจความไม่ไม่แตกฉาน แต่ยังดียังเป็นสมัยที่ยังไม่ใช้ยาถ้ายังมถีถ้ายุคที่สมัยที่มียากําจัดสตูพืชแล้วเอ้าแมลงเยอะใส่ใส่ ย, ยากําจัดสตูพืชไปนะเขาจะเสียหายมากกว่านี้น่าจะอย่างนั้นนะคนน่าจะป่วยมากขึ้นแหล่งแหล่งอาหารก็ดินก็จะเสียน้ําก็จะเสีย ครั้งหนึ่งพระอัสชิรู้จักไหมพระอัสชิน่าจะยากกว่าเมาเจอตุงพระอัสชิเป็นหนึ่งในปัญจวักขีเป็นองค์น้องสุด ท, ท้องหลังจากที่บรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วพระพุทธเจ้าก็ส่งไปประกาศระาศาสนา ท่านก็อยู่ไม่ไกลจากพระพุทธเจ้าตลาดหรอกอยู่ในเมืองราชคลึนั่นแหละเดินบินธบาตตอนนั้นปริพาชกหนุ่มคนหนึ่งชื่ออะไรภาษาไดบทนะจะมาเป็นภาษาได้บทนะชื่ออะไรนะอุปติสสะบางทีนึกชื่อไม่ออกนะอุปติสสะปริพาชก พาเพื่อนแล้วก็บริวารไปออกบวชแล้วก็ไปอยู่กับสันชัยปริพาชกเลยชื่อว่าอุปติสะปริพาชกปริพาชกนี่หมายถึงพวกที่ชอบชอบถกเถียงท่านเปรียบเทียบว่าคล้ายๆกับกรยียุคใกล้เคียงกันเลยนะพวกอลิสโตเติล พวกชอบถกเถียงปรัชญาหาหาเหตุผลแต่เป็นเหตุผลทางด้านความคิดไม่ได้ไม่ได้เอาความจริงที่เห็นเป็นความคิดออกเรียนคำถามคำตอบเอาไว้ไปก็เยประมาณอะไรโตวาทีเรียนแล้วปรากฏว่ามันไม่ได้ช่วยละกิเลส อ, อุปาติสสะ กับเพื่อนชื่อโกลิตะเขาเลเห็นว่าไร้สาระวิชานี้เรียนจบแล้วนะอาจารย์บอกว่าจบแล้วเนี่ยช่วยเป็นอาจารย์ต่อช่วยเป็นอาจารย์ด้วยกันต่อมีบริวารมากมายช่วยสอนต่อสองคนเพื่อนสองคนบอกว่าไร้สาระจังเลยไม่เห็นไม่เห็นจะละกิเลสอะไรเลยเราลองไปหาที่อื่นแต่ว่าในเมื่อยังหาที่อื่นไม่ได้เนี่ยอยู่ตรงนี้ไปก่อนไปหาแล้วก็ ใครเจอก่อนเนี่ยมาบอกกันวันหนึ่งอุปติสะเดินไปพบกับพระอัสชิพระอสชิเดินบินธบาตอุปติสะเป็นผู้มีปัญญาเห็นพระอสชิเดินรู้เลยว่าพระองค์นี้ไม่ธรรมดาอาการสำรวมแต่ไม่เซื่องซึม สำรวมแบบเซื่องซึมพอหนึ่งออกใช่ไหมเดินแบบหมดแรงนิ้สํารวมไม่เสร่งซึมดูผ่องใสดูจิตใจเบิกบานไม่เคร่งเครียดบางคนดูอะไรพยายามสํารวมแต่เคร่งเครียดนะเคยเจอไหมประมาณนั้น ของพระสัิเนี่ยดูปุ๊บภาษาริบุตรตอนนั้นไม่ใช่ยังยังไม่เรียกภาษาอุปติสะปฏิสเห็นแล้วนี่แหละตอนอย่างนี้เลยท่านองค์นี้เนี่ยเป็นดูแลเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่มีกิเลสเดินพินตาบาทแล้วหน้าเรื่อมใส่ก็คิดจะถามปัญหาอยากจะสนทนาด้วย แต่ก็ด้วยความเป็นผู้มีมารยาทก็เลยไม่ถามตอนที่ท่านบิณฑบาตก็ไม่ใช่เวลาที่จะมาพูดคุยในเวลานั้นก็รอให้ท่านบิณฑบาตเสร็จเดินตามพอเดินไปแล้วเนี่ยสมัยนั้นมีวัดอยู่วัดเดียววัดอะไรวัดอะไร วัดที่พระเจ้าพิมพิสารถวายอะเวบลุวันใครเคยไปแล้วบ้างนี่ไหมอ๋อสวนไผ่ป่าไผ่นี้เนื่องจากไม่ใช่วัดเดียวเนี่ยนะแล้วสมัยนั้นก็ไม่ได้มีประเพณีว่าจะต้องไปฉันที่ศาลารวมกันท่านก็บินธบ่าตรงไหนเห็นตรงไหนเหมาะร่มไม้ตรงไหนเหมาะมาะท่านก็นั่งฉันตรงนั้นท่านก็บินธบาาเสร็จแล้วพอฉันแล้วท่านก็เลี่ยงทาง ไปเจอตรงที่พุ่มไม้เอ๊ะไม่ใช่อะไรที่ร่มไม้ไม่ใช่พุ่มไม้พุ่มไม้มันเล็กไปต้องร่มไม้ต้นไม้ใหญ่มีมีร่มเงาอุปติสสะเดินตามก็เห็นว่าเดี๋ยวท่านจะต้องมานั่งตรงนี้ท่านก็ไปอุบติสสะก็ไปปัดกวาดเตรียมที่ให้ในความความฉลาดของท่านนะไปปัดกวาดที่ทําที่นั่งสําหรับฉันรอท่านฉันเสร็จก็อุปถากท่านไม่ใช่ตัวเองอยากจะถามก็ถามทศ ตั้งแต่ก่อนฉันอะไรเงี้ยฉันเสร็จแล้วก็รอให้ท่านชาระฟันชาระปากมีการดื่มน้ำล้างบาดเข้าใจว่าน่าจะช่วยล้างบาดด้วยนะในในเรื่องไม่ได้บอกรายละเอียดขนาดนี้ <c oughs> <c oughs> เรียกว่ากิจที่ควรทำหลังฉันทำเสร็จแล้วพอทำเสร็จแล้วท่านก็ถามว่าท่าน ดูผ่องใสใครเป็นอาจารย์ของท่านบอกอ๋อเราบวชกับพระสมณะโคดมสมัยนั้นจะไม่เรียกตรงๆว่าพระพุทธเจ้าก็คือเจ้าชายสิทธัตถะที่ออกบวชไปแล้วเนี่ยพอสาเร็จเป็นพุทธเจ้าเนี่ยส่วนใหญ่จะเรียกว่าพระสมณะโคดมพระมาหาสมณะ อุปติสสก็ถามว่าศาสดาของท่านใช้คาว่าศาสต า, สาของท่านนะศาสดาของท่านสอนอะไรบ้างอุปติสสะถามอย่างนี้แล้วพระสัชชิก็ออกตัวออกตัวในธรรมมาพูดเองในในเรื่องก็บอกแค่ว่าพระสัชชิตตอบว่าอาตมาบวชใหม่บวชใหม่แน่นอนเพราะว่า เพิ่งพรรษาแรกยังไม่ครบปีเลยแต่ไม่มีใครบวชก่อนท่านเลยนึก <c> อ <oughs> อกไหมนี่คือชุดแรกนะห้าองค์แรกชุดแรกไม่มีใครบวชก่อนท่านเลยแต่ท่านก็บอกว่าอาตมาบวชใหม่แทนที่จะบอกเนี่ยเนี่ยเนี่ยชุดแรกเลยนะรุ่นหนึ่งนะอะไรเนี้ยไม่ได้บอกกันเลยไม่ได้บอกเนี่ยอาตมาบวชใหม่ยังไม่ ยังไม่อะไรยังไม่ช่ำชองชำนาญคำสอนของพระพระุทธองค์อาจจะไม่สามารถแจกแจงได้พิสดารอุบัติสาบอกว่าไม่เป็นไรขอให้บอกมาหน้าที่ทำความว่าใจเป็นของผมและท่านก็ทำความว่าใจได้ด้วยคำสอนที่บอกในวันนั้นพระอัชชิ บ, บอกว่า เยธรรมมาเหตุตุปปะภาวาแปลออกไหมแบบนี้แปลไม่ออกใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ในเป็นภาษาบาลีบอกทำเราได้ทาเหล่าได้เกิดแต่เหตุพระตถาคตเจ้าบอกเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับไปแห่งธรรมเหล่านั้นพระมหาสมณะมีปกติตรัสอย่างนี้เอวังวาทีมหาสมโน มีถ้าแปลแบบตรงตัวก็คือพระมหาสมณะมีปกติมีวาทะแบบนี้แต่แปลให้สละสะวยหน่อยก็พระมหาอะไรพระมหาสมณะมีปกติตรัสสอนอย่างนี้บอกเหตุแห่งทุกข์และความดับไปแห่งทุกข์ด้วยต้องรู้เหตุเหตุแห่งทุกข์คืออะไร สมุท wow, ัยใช่แม้แปลเป็นกลับไปเป็นบาลีอีกทีเหตุแห่งทุกข์ก็คือตัณหาตัณหาความทยานอยากต่างๆตัวทุกข์คืออะไรต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะตัวปัญหาคืออะไรเหตุให้เกิดปัญหานี่คืออะไรอริยสัจทั้งสีเนี่ยมีทุกขสมุทัยนิโรธมรรคเลยนะตัวทุกข์คืออะไรต้องเรียน สมุสทัยคืออะไรนิโรธคืออะไรมรรคคืออะไรแต่ละแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยเป็นผลและเป็นเหตุเป็นผลและเป็นเหตุทุกเป็นผ ล, ลนมีเหตุจากสมุทัยนิโรธเป็นผลมีเหตุจากมรรคอันี้ เ, นเรื่องของเหตุของผลแ ต, แต่แต่ต้องเข้าใจด้วยว่ามันไม่ใช่เหตุผลแบบซื่ อ, อ, อตรงๆแบบหนึ่งเหตุหนึ่งผลอย่างนั้นนะ มันเป็นปัจจัยเป็นเหตุปัจจัยอย่างเช่นมรรคเป็นเหตุให้เกิดนิโรธเนี่ยนะมรรคก็ประกอบด้วยองแปดนี่ในมรรคมีองแปดเนี่ยถ้ามันเยอะเกินไปจาไม่ได้ท่านก็ยอ่อย่อได้ทั้ง7็ดทั้งหทั้งห้าทั้งสี่ทั้งสามทั้งสองย่อได้ย่อได้มาเป็นสองก็มีถ้าเป็นสองก็คือ สมถะและวิปัสสนาถ้าเป็นสามก็เป็นศีลสมาธิปัญญาคือศีลจิตปัญญาเป็นต้นนี่เป็นต้นนะเรียกว่าอย่าไปยึดเอาแค่ว่ามากมีองแปดแล้วต้องเป็นแปดเสมอไม่จำเป็นเวลาพระพุทธเจ้าตรัสกับคนที่อะไรอะเหมาะที่จะแสดงเรื่องสองก็พระองค์ก็แสดงเรื่องสอง แสดงเรื่องสามครับองค์ก็แสดงเรื่องสามแต่ส่วนใหญ่ถ้าเอาตามปริยัติพอถึงมรรคแล้วเนี่ยมับอกว่ามรรคมีองค์แปดัจุดมุ่งหมายของชาวพุทธส่วนใหญ่ก็จะมีจุดมุ่งหมายเหมือนกันคือพ้นทุกข์จากพ้นทุกข์ได้ก็ต้อง ปฏิบัตตามมากไม่ อ, องแปดมากไม่ อ, องแปดจำยากก็ส่วนใหญ่ก็จะย่อมาเรื่องไตรสิกข า, าศีลสิกขาจิตเป็นสิกขาแล้วก็ปัญญาสิกขาอันนี้ก็คือสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้ถึงนิโรธความดับทุกข์ครูบาอาจารย์ท่านเคยเล่าให้ฟังร่ายให้ฟังว่าท่านคุยกัน คุยกันว่าองค์หนึ่งองค์หนึ่งเป็นระดับครูบ า, าจาย์เหมือนกันนะแต่ว่าคุยกันเนี้ยในฐานะท่านเป็นสิทธิ์กับองค์หนึ่งถ้าเป็นอาจารย์ใหญ่ผู้เป็นสิทธิ์คุยกับอาจารย์ใหญ่ถามว่าพระไตรปิฎกก็ยังมี การสอนเรื่องมรรคเอกองแปดก็ยังมีสอนเรื่องไตรสิกขาก็ยังมีแต่ทําไมไม่ค่อยมีคนบรรลุในเมืองไทยเนสอนกันเยอะแยะหมดเลยนะไปที่ไหนที่ไหนก็สอนแต่ทําไมไม่ค่อยมีคนบรรลุแปลกไหมแปลกนะอาจารย์ทั้งคู่เนี่ยเป็นผู้มีภูมิธรรมระดับครูบาอาจารย์ทั้งคู่นะ องหนึ่งในฐานะลูกศิษย์ถามผู้ที่เป็นอาจารย์ใหญ่ท่านก็ตอบว่าเพราะตีความข้อจิตศิษขาไม่เหมือนกันศิลสิขาตีความเหมือนกันรู้ว่าจะต้องรักษาศีลจะต้องระวังการแสดงออกทางกายวาจายังไงเนี่ยตีความเหมือนกัน เรื่องปัญญาตีความเหมือนกันคือถ้าถึงปัญญาจริงๆในพุทธศาสนาคือต้องเห็นไตรลักษณ์อันนี้เข้าใจตรงกันคําว่าเข้าใจตรงกันไม่ใช่ไม่ใช่หมายความว่าจะเห็นไตรลักษ์แล้วนะหมายความว่ารู้ว่าจะเกิดปัญญาระดับในปัญญาในทางพุทธศาสนาเนี่ยต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปของนามในนมมีความเข้าใจตรงกันในภาคทฤษฎี ยังมีความเข้าใจตรงกันแต่ความแตกต่างที่ทำให้เหตุปัจจัยมันไม่พร้อมพอให้เกิดมรรคผลก็ mm hmm. คือมีการตีความในเรื่องของจิตสิกขาไม่เหมือนกัน mm hmm. จิตสิกขาส่วนใหญ่พอพูดคำนี้ขึ้นมาเนี่ยคนจะไม่ค่อยคุ้นคนจะคุ้นคำอื่นมากกว่าคือคำย่อ คำว่าสมาธิมันมีศีลสิกขาจิตสิกขาแล้วก็ปัญญาสิกขาเนีเรามักจะพูดสั้นๆว่าศีลสมาธิปัญญาพอพูดจะย่อว่าศีลสมาธิปัญญาแล้วพอบอกว่าข้อสองคือศีลเอข้อสองคือสมาธิเนี่ยเราจะนึกภาพคำว่าสมาธิแบบหนึ่งจะตีความแตกต่างกันไปในเรื่องของสมาธิส่วนใหญ่ตีผิด มันเลยเหตุปัจจัยไม่พร้อมพอในไต่สิกขาไม่พร้อมพอที่จะเกิดมรรคผลขึ้นมาคนปฏิบัติธรรมดูเหมือนเยอะคนเรียนธรรมะดูเหมือนเยอะจึงไม่ได้ผลสักทีเพราะตีความผิดในข้อสองพอตีความผิดการปฏิบัติก็ผิดมันมีวิธีการตีความผิดแบบไหนลองดูนะแล้วเราเป็นพวกนั้นบ้างหรือเปล่าพวกหนึ่งตีความว่า สมาธิไม่ต้องทำก็ได้เพราะทุกขณะจิตมีเอกะตะเอกข ะ, ะตาอยู่แล้วพวกนี้ปฏิความอย่างนี้ก็เลยไม่ทําสมาธิไม่ทําจิตสิกขาพอไม่ทําก็ไม่มีสมาธิที่ถูกต้องแล้วก็ทํอยังไงเวลาถึงถึงเวลาก็ก็คิดคิดเอาคิดเอายังไม่ใช่ปัญญา ถ้าเป็นปัญญาก็เป็นปัญญาระดับยังไม่ถึงวิปัสนาคือเป็นการคิดเทียบเคียงเอาเอาิธีใช้เจริญปัญญาด้วยการคิดพิจารณาอีกพวกหนึง่งอันนี้คือพวกแรกนี่คือตีความผิดอีกพวกหนึง่งตีความว่าถ้าจะทำสมาธิต้อง ต้องยางไงพวกพวกหนึ่งนะที่ผิดนะเอาเอาแบบผิดเห็นชัดๆคือเคลิมเคลิมนั่งฟุ้งฟุงเนี่ยนะถ้าเคริมได้เนี่ยดูเหมือนสงบอาตมาเป็นพวกนั้นส ม, สมัยหนึ่งสมัยหนึ่งสมัยหนึ่งฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านพอหมดแรงฟุ้งซ่านมันเคลิมนะเฮย้โฮยโอ้ยมันไอ๊ะ แต่ตอนเคลิมไม่เฮยนะแต่พอผ่านเคลิมไปแล้วนะเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้นี่คือหลังจากที่เขาตีกระดิ่งหมดเวลาทำวัดนะทำวสตรหมดแล้วก็มีนั่งสมาธิต่อเนะี่ยวันนี้นั่งเคลิอมเลยนะมันเหมือนไม่ฟุง้งซ่านมันจะไม่ไม่ใช่ไม่เหมือนไม่คือมันไม่ฟุง้งซ่านมันเคลิ้มไปแล้วพอตีะระฆังหมดเวลาวันนี้สงบจังเลยเข้าใจว่าเคลิมคือสมาธิ ใครใครตกตรงนี้บ้างมีไหมไม่ไม่เคลิมเลยใช่ไหมมีแต่ฟูงซานนี่มีพวกเคลิมแล้วเข้าใจว่าเคลิมดีเคลิมคือสงบเคลิ้มฮะแปลไม่ได้หรอเคลิ้มมันใกล้ๆจะหลับอ่ะ ถ้าพูดคาว่าพวังมันดูเท่ขึ้นมาหน่อยนึงมันดูสับสูงดีเคลิมมันคือเอาง่ายๆคือมันใกล้หลับแล้วถ้าปล่อยอีกหน่อยนึงคือหลับรู้จักไหมมันคือไม่ใช่ชามันคืออะไรัมันคือเตรียมจะหลับ เข้าใจไหมมันเบลอเบลอมันเบลอเลอมันมัวมัวนั่งแล้วมัวมัวถามว่าฟุ้งซ่านไหมตอนนั้นไม่ไม่ได้ฟุ้งแบบคิดอะไรหลากหลายไม่ได้คิดอะไรหลากหลายมันหายไปอันมาเคยขนาดว่าโหเข้าใจว่าเนี่ยเป็นสมาธิที่ดีมากเลยละรูปละนามหมดเลย <laughs> คือไม่รู้เรื่องอะไรเลยเ <laughs> รือ่องไหมสมาธิที่ดีต้องมีสติด้วยคือมีความรู้สึกตัวแต่อันนี้มันไม่หมดขาดสติไปไม่มีความรู้สึกตัวกายเป็นยังไงก็ไม่รู้ใจกำลังเคลิ้มอยู่ก็ไม่รู้แต่พอมีเสียงกระดิง่งกิ้งขึ้นมาเนี่ยรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อกี้ดีจังเลยไม่ฟุ้งซ่าน <laughs> คิดว่าไอ้ไม่ฟุง้งซ่านแบบ เ, ลเคลิ้มคือดีแล้วเวลานั่งปุ๊บก็พยายามทําเคลิ้มทําทําตาปลือมๆนิดนึง <c oughs> อันนี้น่าสงสารมีจริงนะมีคนทําอย่างนี้จริงๆมีอาตมานหนึ่งละ <c oughs> <c oughs> ที่เคยทําอย่างนี้มาก่อน <c oughs> แล้วไม่ใช่คนเดียวไม่ใช่คนเดียวที่พยายามประมาณว่าพอเริ่มนั่งสมาธิปุ๊บ <c oughs> พยายามทําเคลิม้ม พวกหนึ่งทำเครียดเพ่งคิดว่าต้องให้อยู่กับที่นิ่งๆห้ามหนีไปไหนจิตห้ามหนีไปไหนเวลาอยู่ตรงนี้ต้องอยู่ตรงนี้จงเชื่อฉันอย่าหลงไปเชื่อใครวันนี้เพลงเก่ามากเลยนะ่ยนึกถึงเพลงนี้เอาไห แสดงว่ารุ่นใหญ่พอสมควรคือต้องอยู่ตรงนี้นิ่งๆอย่าไปไหนนะบอกกับตัวเองแล้วก็บังคับให้มันอยู่ตรงนี้พอมันเผลอไปจะหงุดหงิดแล้วก็ดึงกลับมาเห็นมันเผลออีกเห็นเหมือนกันว่ามันเผลอไปนะแต่ไม่ได้เห็นเฉยๆแล้วก็เห็นแล้วก็ไม่พอใจแล้วก็รีบดึงกลับมามีการบังคับให้อยู่กับที่พอมันไม่อยู่กับที่ก็จะเครียด ไม่พอใจไม่ใช่มาอยู่เครียดพอเห็นมันไม่อยู่กับที่คือเผลอไปก็จะไม่พอใจพอไม่พอใจก็รีบดึงกลับมาพอดึงกลับมาอยู่กับลมหายใจใหม่ก็อยู่แบบเครียดเครียดหนักหนักแน่นแน่แนถ้าอยู่ได้ก็นึกว่าโค่นี่แหละตั้งมัน่นประมาณว่าหนักจริงๆเลยอยู่ตรงนี้ได้เนะหนักดีแน่นดีมันหนักมันแน่นดี ไม่ใช่อันนี่คือเป็นสมาธิแบบเครียดวงจรจะเป็นแบบว่าบังคับพอเห็นว่าเผลอแล้วไม่พอใจกลับมาครั้งใหม่ก็กลายเป็นเครียดพอเครียดหนักเข้าจิตก็ไม่มีความสุขพอจิตไม่มีความสุขสุขเป็นเหตุกใกล้เกิดสมาธิเราต้องการสมาธิแต่เหตุปัจจัยมันไม่ได้แล้วคิดว่าใช่ใ น, นี่คือเข้าใจผิด นี่เอาคร่าวๆมี3มอย่างที่ที่ผิดตีความกันผิดจริงสมาธิที่ดีมีสองแบบสมาธิที่ดีที่ถูกต้องมีสองแบบเรียกว่าอารัมมานุปนิชฌานอย่างหนึ่งกับลักคนุปนิชฌานอย่างหนึ่งอารัมมานุปนิชฌานคือเพ่งอารมณ์เพ่งอารมณ์ลักคนุปนิชฌานแปลแล้วเนี่ยก็คือเพ่งลักษณะคําว่าเพ่งลักษณะเนี่ยนะ ฟังแล้วงงอยู่มันเพ่งไงเพ่งลักษณะมีลักษณะอะไรให้เพ่งงงห้ามเพ่งเป็นอารมณ์ด้วยนะถ้าเพ่งอารมณ์ก็จะกลับไปอยู่ข้อหนึ่งเพ่งลักษณะเป็นยังไงเดี๋ยวรู้เพ่งอารมณ์ก่อนะเพ่งอารมณ์คือหาอารมณ์อะไรก็ได้ที่เป็นรูปหรือเป็นนามก็ได้จะเป็นในนามนั้นจะเป็นจิตหรือเจตสิกก็ได้งงไหมเนี่ยคําว่าจิตเจตสิกงงไหม ว่าจะแปลยังไงวะน่จิตคือสภาพรู้ถ้าในขันธ์5้าคือวิญญาณเจตสิกก็คือส่วนประกอบในจิตอีกทีหนึ่งที่จะบอกก็ได้ว่าจิตนั้นดีหรือไม่ดีจิตเป็นสุขหรือเป็นทุกข์งีนะก็คือส่วนที่เป็นเวทนาส่วนที่เป็นความปรุงแต่งเป็นสังขารต่างๆเป็นปรุงเป็นดีเป็นชั่วเป็นกุศลเป็นอกุศล อีกอย่างหนึ่งคือเป็นพวกสัญญาสัญญานี่เล่นยากนิดหนึง่งสัญญาคือความจำได้หมายรู้สามอย่างนี้เรียกว่าเจตสิกเวทนาสัญญาสังขารนี่เรียกว่าเจตสิกงนั้นจะใช้รูปมาเป็นอารมณ์ก็ได้จะใช้เจตสิกมาเป็นอารมณ์ก็ได้ใช้จิตเป็นอารมณ์ก็ได้นิพพานยังเป็นอารมณ์ได้เลยแต่ว่าใช้ได้เฉพาะพระอริยเจ้าใครเป็นบ้างมีไหมยังไม่มี แพระนั้นข้อนี้เรื่องนิพานเอามาเป็นอารมณ์ก็เราอย่างใช่ไม่ได้อีกอย่างหนึ่งที่เอามาเป็นอารมณ์ได้คือสมมุติบัญญัติสมมุติบัญญัติก็คือคำที่เรากำหนดขึ้นมาเช่นคำว่าพุทธโธหรือว่าสัมมาอรหังหรือว่าอะไรเมตตากุณังอรหังเมตตาอะไรเงี้ยหรือสวดมนต์ก็ได้สวดมนต์ยาวๆเลยก็ได้เป็นอารมณ์ขึ้นมา อันนี้เรียกว่าใช้สมมุติบัญญัติให้เป็นที่อยู่ของจิตถ้าจิตอยู่กับอารมณ์นั้นได้ก็อาศัยอารมณ์นั้นทำสมถตกรรมฐานอารมมณุปนิชฌานก็คือการทำสมถตกรรมฐานนั่นสมมตกรรมฐานเนี่ยตัวเอกตัวเอกตัวเด่นคืออารมณ์ลัคนุปนิชฌานตัวเอกตัวเด่นไม่อยู่ที่อารมณ์ตัวเดตัวเด่นของลัคนูปนิชฌานมันอยู่ที่กายที่ใจ แล้วแต่ใครจะดูอะไรถ้าดูกายก็คือให้กายแสดงความจริงสามอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นอนัตตาส่วนใหญ่ดูกายก็จะเห็นกายแสดงความเป็นทุกข์กับความเป็นอนัตตาถ้าดูจิตก็ให้จิตเป็นตัวเอกเป็นผู้แสดงนำส่วนคำบริกรรมเป็นผู้แสดงประกอบ ถ้าได้รางวัลสุพรรณหงษ์ก็ต้องแยกระหว่างผู้แสดงนําหรือผู้แสดงประกอบต้องแยกให้ออกถ้าทําลัคโนาปณิชฌานต้องใช้รูปหรือนามเป็นผู้แสดงนําลักษณะให้มันแสดงลักษณะให้ดูนั้นเวลาเห็นจิตมันแสดงก็จะแสดงว่าเดี๋ยวจิตก็เกิดดับไม่เที่ยงความเกิดดับของมันคือเมื่อกี้อยู่กับความบริกรรมแล้วเดี๋ยวมันก็ไป เกิดที่อื like. arella, ่นเกิดท Fo ี่อื่นคืออะไรเผลอไปเห็นความเผลอเผลอดับเมียนะเห็นจิตเป็นผู้แสดงนาคือเห็นจิตแสดงความไม่เที่ยงเห็นจิตเผลอไปเห็นความเผลอเผลอดับเห็นจิตเผลอไปแล้วไม่ทันเห็นตอนเผลอเผลอไปแล้วมีโทรศเห็นโทระโทสะดับจิตแสดงไตรลักษณ์คือความเกิดดับให้ดูอาศัยที่จิตมันแสดงความจริงให้ดูนี่แหละ เขาเรียกว่าให้จิตเป็นผู้แสดงนําการแสดงของมันก็คือแสดงไตรลักษ์ให้ดูแง่ใดแง่หนึ่งส่วนใหญ่จิตก็แสดงสองแง่ชัดๆคือเกิดดับกับอนัตตาคือบังคับไม่ได้อยากให้มันดีไม่ดีอยากให้เป็นสุขไม่เป็นสุขอยากให้สงบไม่สงบฟุ้งซ่านอยู่เรื่อยอย่างนี้แหละมันแสดงความจริงถ้าเราดู อย่างไม่ไปแทรกแซงมันมันจะแสดงความจริงให้เข้าใจการเห็นความจริงอย่างนี้เรียกว่าทำลักคนูปนิชฌานความแตกต่างระหว่างลักคนูปนิชฌานกับอา ร, รมณูปนิชฌานคืออา ร, รมณ์เวนิชานตัวเด่นผู้แสดงนําคืออารมณ์ผิดจากนี้ไม่เอาจะเอาอยู่นี่ถ้าดูลมหายใจก็ผิดจากลมหายใจไม่เอาจะเอารมณ์หายใจ จิตจะเพลอไปยังไงไม่สนจิตจะสนจะลมหายใจนี่คือทำอารัมมานุปนิชฌานจิตไปยังไงไม่รู้ไม่สนใจท่านจะเอาตรงนี้จิตเพลอไปแล้วไม่สนจิตจะเอาจะเอาลมหายใจอย่างเดียวแต่ลักขณูปนิชฌานสนใจลักษณะลักษณะเหล่านั้นปรากฏที่จิตจิตเผลอรู้ทันจิตเห็นทันจิตแล้วความเผลอดับความเพล อ, อดับแล้วเนี่ยเรียนจบครั้งนึงแล้ว จบครั้งหนึ่งยังไม่เกิดมากผลมาเรียนใหม่เข้าห้องเรียนก็คือเข้ากรรามฐานเดิมเราดูลมหายใจก็กลับมาที่ลมหายใจเรามีพุโทโธเป็นที่อยู่ก็กลับมาที่พุโทโธคำว่ากลับมาเนี่ยไม่ใช่เปดึงมาคือกลับมาเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่อีกทีตอนบอกเริ่มต้นใหม่เนี่ยนะตอนไปแนะนำกับฝงฝรั่งฝ ร, รั่งมาเรียนธรรมะเนี่ยนะ ังบอกว่าพอบอกว่าเริ่มต้นใหม่เนี่ยเขารู้สึกว่าเหมือนเหมือนเฟลเหมือนการการทำครั้งนั้นล้มเหลวต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่นี่เป็นอะไรเป็นการตีความภาษาทาให้รู้สึกว่าปฏิบัติอย่างนี้ไม่ดีเลยประมาณว่าเหมือนเล่นเกมแพ้แล้วบอกไม่ใช่อันนี้คือได้แต้มได้แต้มแล้วกลับมาเริ่มต้นใหม่เนี่ยคือพร้อมที่จะ ทำแต้มครั้งใหม่เป็นการทำแต้มครั้งใหม่ไม่ใช่ล้มเหลวความความสําเร็จมันเกิดตอนที่รู้นั่นคือสําเร็จแล้วจะทําความรู้ให้เกิดขึ้นใหม่ต้องกลับมากลับมาสังเกตใหม่กลับมาที่อยู่เพื่อที่ที่ให้ที่อยู่เนี่ยเป็นเครื่องเทียบ ว, ว่าเดี๋ยวเผลออีกแล้วเห็นจิตที่เผลอเห็นจิตที่เผลออีกได้แต้มอีกแต้มหนึ่งประสบความสำเร็จในการให้จิตเรียนรู้อีกครั้งหนึ่งแล้ว น, นั้นแตกต่างกันอารมณ์มนอารมณ์มนุิจานเ น, นี่ยนะจะสนใจแต่อารมณ์คำว่าอารมณ์มนุมนิจานก็คำมันชัดเจนอยู่แล้วคือสนใจแต่อารมณ์เพ่งอารมณ์จิตจะเป็นยังไงไม่สนใจหมายถึงว่าจิตเผลอไปแล้วเห็นว่าเผลอก็จริงแต่ไม่สนใจความเผลอจะรีบ ด, ดึงกลับมาสนใจแต่ไอตัวนี้ตัวอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งเเริ่มต้นใครดูลมหายใจก็ดูดูลมหายใจ เอาเด่นที่ลมหายใจให้ลมหายใจเป็นผู้แสดงนํา<ม>เป็นตัวนําเป็นตัวเอกเป็นตัวเด่นแต่ถ้าจะทำลักขณูปนิชฌามเอาอารมณ์คือลมหายใจเริ่มต้นแบบเดียวกันแต่ไม่เอามันเป็นตัวเด่นตัวเด่นที่เราจะดูจริงๆคือดูจิตที่มันเผลอจิตที่มันเผลอไปเพระนั้นความเผลอของจิต ในแง่ของการทําอารามมนุมณิชาความเผลอนั้นไม่ดีเลยแต่ในแง่ของการทําลักคนุมณิชานความเผลอนั้นเป็นความจริงเราเห็นความจริงใช้ได้เลยลเป็นลูกครึ่งได้ไหมคะเป็นลูกครึ่งอามารัมาอารามมาลัคณิต <laughs> ไม่มีนี่นี่นี่วิธีนะวิธีนะ เริ่มต้นทำเหมือนกับทำอารัมมนนานุปนิชฌานเริ่มต้นนะทำแบบเดียวกันเลยแต่เป้าหมายไม่ได้ตั้งเป้าหมายแบบพวกทำอารัมมนนานุปนิชฌานพวกทำอารัมมานุปนิชฌานเนี่ยก็ดูลำไส้ใจเนี่ยแล้วามเผลอไปนะั้นไม่ไม่สนใจรีบหนึ่งกลับมาแต่เราไม่ทำอย่างนั้นเราทำเหมือนกันตั้งต้นเหมือนกันแต่ ตั้งจุดประสงค์ในการปฏิบัติไม่เหมือนเขาพวกนั้นหวังสงบพวกเราพวกเราที่นี่หมายถึงว่าพวกที่เห็นตามอัตมาพวกเรานี่หวังเอาพวกไปก่อนนะพวกเราไม่ได้หวังสงบแต่หวังจะรู้ความจริงตอนหวังรู้ความจริงเนี่ยจิตมันเผลอไปรู้ว่าเผลอตอนรู้ว่าเผลอเผลอดับแล้ว แต่พวกที่หวังสงบเลยนะ <c> เห็นเผลอแล้วไม่ชอบใจรลยรีบดึงกลับมาเหมือนเล่นเกมแล้วยังไม่จบเกมสักทีแต่ถ้าคนที่หวังรู้เนี่ยนะเห็นเผลอไปรู้ว่าเผล อ, อจิตเผลอไปเห็นเผลอเผลอดับนี่ได้แต้มแล้วเกมนี้จบแล้วแล้วก็เริ่มต้นใหม่แต่ถ้าทำลัคนูปิฎิฌานคือหวังสงบไอ้ครับขออภัยอารัมมานูปิฎิฌานหวังสงบเนี่ยนะเผลอไปแล้วรีบดึงกลับมาแล้วก็ยังไม่จบเกมยังไม่ได้แต้ม นี่หรหแล้วก็ถ้ามันไปอีกไปบ่อยๆนะรู้สึกว่ากูฟุ้งซ่านมากแต่คนที่ทําลัคนูมินิชาเนี่ยเผลอไปรู้ทันแล้วไม่แก้ไขอะไรมันนะเริ่มต้นใหม่นี่หลังจากนั้นได้แต้มแล้วนะได้แต้มไปทิ้งแล้วอพอกลับมามันเผลออีกรู้อีกได้อีกแต้มหนึ่งแล้วแต้มแต่ละแต้มเนี่ยการได้แต้มแต่ละครั้งเนี่ยได้แต้มไม่เท่ากัน แต้มพื้นฐานแต้มพื้นฐานที่เราควรจะได้ก็คือว่าเห็นกิเลสเห็นราคะโทสะโมหะอันนี้เป็นแต้มพื้นฐานที่ควรจะได้ถ้าเห็นเร็วกว่านั้นคือเผลอไปแล้วแล้วมีความสุขหรือมีความทุกข์เช่นสมมุติว่าสมมุติว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็หันไปดูดูใครดีดูสักคนหนึ่ง เห็นสมมุติเ <sa> ห็นโยมที unt unt ่กําลังดูโทรศัพท์นั่นโอ้หนุ่มหน้าตีหล่อดีจังอะไรนั่นเห็นแล้วก่อนจะเห็นว่าเป็นหนุ่มหน้าตีน่ะเห็นแล้วมีความพอใจมีก่อนจะพอใจมีความสุขในการเห็นรูปนี้ถ้าเห็นตั้งแต่เห็นปุ๊บมีความสุขเนยนะถือว่าได้แต้มมากกว่าเห็นตอนที่มีราคะเพราะกว่าจะมีราคะขึ้นมาได้เนี่ย เห็นปุ๊บมีความสุขและพอใจไอตอนพอใจนี่มาตามหลังตอนมีความสุขเห็นไหมความไวของสติที่เกิดขึ้นเนี่ยมันบ่งบอกว่าเราจะได้แต้มมากแต้มน้อยโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเห็นแล้วมีความสุขยังไม่รู้ทันมันยังยังรู้ไม่ทันมีความสุขไปแล้วเกิดราคะแล้วจึงค่อยรู้อย่างเป็นต้นถ้าหันไปแล้วก็อ้าวจริงๆแล้ว ตอนเห็นตอนก้มหน้านึกว่าหล่อเงินน้าบอกอ้าวไม่หลอนี่หว่าอะไรอย่างเี้สมมตินะโอจบอย่างงี้ไม่ค่ยดีเท่าไหร่นะเออไม่หล่อนี่ว่าผิดหวังผมว่าผิดหวังนะไอตอนเห็นเนี่ย น, นะคือไม่ชอบใจถ้าเห็นทันตั้งแต่อมีทุกข์ในการเห็นภาพนี้คือเห็นเวทนาแต่ถ้าไม่ทันตอนเห็นเวทนาก็มาเห็นวิธีก็เกิดโทสะเกิดโทสะรู้ทันก็ยังดียังได้แต้ม ความไวมันคือว่าถ้าเห็นตั้งแต่เวทนามันไวกว่าเห็นกิเลสแต่ไม่จำเป็นต้องเร่งตัวเองให้เห็นเวทนาเอาตอนไหนเห็นตอนไหนเอาตอนนั้นถือว่าได้แต้มไม่ใช่ว่าไม่ดีเลยทําไมท่านจะเห็นเวทนาได้สักทีให้เห็นเลยว่าไม่ชอบใจนี่ของไหมรู้ลงปัจจุบันไปพื้นฐาน ขั้นแรกที่เราจะเห็นจิตเนี่ยนะให้เห็นกิเลสกิเลสก็แสดงหลากหลายสรุปรวมเป็นสามกองคือ oh ราคะโทสะโมหะราคะคือมันพอใจเห็นแล้วอยากเห็นอีกความรู้สึกเหมือนมียางเหนียวระหว่างจิตเรากับสิ่งนั้นเห็นแล้วอยากเห็นอีกดูแล้วอยากดูอีกฟังแล้วอยากฟังอีกประมาณนี้มียางเหนียวเหนียวขนาดที่ว่าผ่านไปแล้วยังต้องเลียวหลังนิดนึงอะไรประานี้ โษสะก็คือมีแรงผลักไม่เหนียวและมันจะกผลักผักไม่ไปก็ทำลายมันมันทำลายไม่ได้มันใหญ่กว่าเรามัองกูหนีดิคือขอไม่อยู่ด้วยประมาณนี้ขอไม่อยู่ด้วยมีนี่คือโทสัตลักษณะของโมหะก็คือเบลอเบลอไม่รู้ตัวเบลอเบลมุนม่นมมวัมวมัวอันนี้ก็คือของโมหะก็ให้รู้ทันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้รู้ทัน รู้ไปรู้ไปแล้วก็จะมีอะไสภาวะหลากหลายมากขึ้นอีกอาจจะเป็นงงสงสัยนี่ก็เป็นสภาวะอันหนึ่งรู้อันนี้ก็ใช้ได้ท้อแท้ท้อแท้ก็เป็นสภาวะหนึ่งฟุ้งซ่านก็เป็นสภาวะหนึ่งถือตัวนี่ก็เป็นสภาวะหนึ่งถาดูไปเรื่อยๆก็จะมีหลากหลายแต่ถ้ารู้ทันตั้งแต่มีเวทนาอันนี้ถือว่าสติ ที่ฝึกมาเนี่ยเริ่มเร็วมันเห็นตั้งแต่เวทนาเวทนามันมาตั้งจากตอนไหนตอนที่มีผัสสะปุ๊บมีเวทนาเลยทุกครั้งที่มีผัสสะนะ่าจะเกิดเวทนาทุกทีพอเห็นปุ๊บก่อนจะเกิดโทสะหรือเกิดราคะมันจ้องมีสุขหรือทุกเกิดขึ้นก่อน ถ, ถ้าทันตอนนี้ถือว่าเร็วมีสติเร็วไวถ้าเร็วกว่านั้น เห็นตั้งแต่จิตมันเคลื่อนแต้มของการเจริญสติเห็นจิตจะได้แต้มมากขึ้น <Weil> เป็นเป็นลําดับนะนะลำดับแรกอย่างน้อยได้นหนึ่งแต้มเลี่ยนะก็คือตอนเห็นกิเลสลำดับที่สองคือเห็นว่ามีเวทนาสุขหรือทุกข์ต่างใจดีกว่านั้นอีกตอนที่เราภาวนาเราที่เราเจริญกรรมฐานอย่างห น, นึ่งเนี่ยนะเช่นพุโทโธพุโทโธไปเนะี่ย เห็นมันตั้งแต่ตอนเริ่มเผลอเลยตอนเริ่มเผลอเราจะเห็นว่ามันมีการเคลื่อนจิตเคลื่อนแสดงความไม่ตั้งมั่นเห็นความเคลื่อนได้จิตตั้งมั่นคุณหมาพอดีดังนั้นมีสติเห็นจิตเคลื่อนด้วยและความที่เห็นจิตเคลื่อนเนี่ยได้สมาธิด้วยดังนั้นเห็นตรงนี้นะเห็นครั้งเดียวได้ดีสองอย่างคือมีทั้งสมาธิและสติตัวเด่นคือสมาธิทั้งทั้งได้มีสติด้วยเนี่ยนะ แต่ตัวเด่นกลายเป็นสมาธิละเพราะมีกำลังมากเห <c oughs> ็นตรงนี้จะกลายเป็นว่าจิตตั้งมัน่นได้คะแนนมากกว่าที่จะเห็นแค่ราคะโตสระหรือว่าเห็นเวทนาแต่นี่นานๆจะเห็นทีเห็นเคลื่อนทีเนี่ยนะจิตก็จะมีกำลังขึ้นมาเลยกำลังหลังจากเห็นจิตเคลื่อนมันมีกำลังของมันเองโดยสภาวะของมันเองจากการที่มีจิต ที่ตั้งมัน่นเวลาดูกายมันจะเห็นเลยว่ากายถูกรู้มีจิตผู้รู้ตั้งหากโดยไม่ตั้งตั้งใจแยกไม่ได้ตั้งใจแยกมาว่าดึงจิตออกมาไม่ได้ต้องดึงโดยสภาวะแล้วหลังจากที่จิตมีกําลังระดับจิตตั้งมัน่นเวลาดูมีสติระลึกรู้กายเนี่ยนะมันเห็นกายปุ๊บมันจะรู้เลยเลยว่ากายถูกรู้มีผู้รู้อยู่ตั้งหากและกายนี้ไม่ใช่เราเห็ <mm นเลย <mm เห็นกายนี้ไม่ใช่เรา เวลามีกิเลสและเห็นกิเลสเช่นเห็นราคะหรือเห็นโทสะเนี่ยนะจะเห็นว่าราคะหรือโทสะที่เห็นเนี่ถูกเห็นอยู่มันมีการแยกออกมามันไม่เหมือนเมื่อก่อนนี้เวลามีราคะรู้สึกเรามีราคะเวลามีโทสะเรามีโทสะแต่พอหลังจากจิตตั้งมั่นแล้วนเห็นราคะก็เห็นราคะมีตัวรู้อยู่ต่างหากไอ้ตัวรู้อาจจะยังไม่สังเกตว่ามีอยู่ต่างหากนะแต่รู้สึกว่าราคะถูกรู้ ตอนราคะถูกรู้เ네นี่ยตัวรู้เกิดขึ้นด้วยกันพร้อมกันอัตโนมัติเขาเรียกว่าเป็นอะไรเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันเวลามีโทสะเห็นโทสะจะเห็นว่าโทสะอยู่ต่างหากตัวรู้อยู่ต่างหากตัวรู้แรกๆเราอาจจะไม่สังเกตว่าอยู่ต่างหากแต่เห็นว่าโทสะถูกรู้ส่วนใหญ่จะเห็นอย่างนี้ว่าโทสะถูกรู้ราคะถูกรู้ถึงสภาพว่าตัวเนี้ยเรียกว่าเกิดจิต ผู้รู้ขึ้นมาภาวนาต้องให้ได้ระดับนี้จึงจะเรียกว่าอะไรเรียกว่าพอมั่นใจได้หนูเคยทําแบบอย่างที่พระอาจารย์บอกค่ะก็คือตามรู้จนจิตมันมีกําลังจนมันตั้งมั่นและเห็นสามอย่างแล้วหลังจากนั้นเห็นอะไรสาอย่างเห็นเห็นอ่าเห็นจิตเราเมีผู้รู้แล้วก็มีกายค่ะแล้วมันก็แบบหลังจากนั้นมันก็ตั้งมั่นจนมันไม่เกิดอะไรมันมีแต่ความว่างแล้วหนูก็รู้สึกว่าแบบ แล้วหนูไปต่อไม่ถูกจากตรงนี้ค่ะหนูรู้ว่าหนูควรจะทําตัวยังไงหลังจากนี้หนูก็รู้สึกว่าหนูก็เห็นกายมันนั่งไปแล้วก็เห็นจิตแต่ก็เห็นมีอีกอีกตัวหนึ่งก็รู้ว่าจิตมันก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วหนูก็จานหนูก็รู้สึกว่าเราจยังไงต่อมันอยู่แป๊บเดียวใช่ไหมสักพักใหญ่เหมือนกันค่ะพอคิดขึ้นมาว่าเราจะทำยังไงไอตัวสภาวะนั้นก็ดับไปแล้วอ่าใช่ใช่อันนี้พอถึงตรงนั้นนะก็เริ่มภาวนาใหม่ทําสมถะขึ้นมาใหม่ ถ้าดูลมหายใจก็ดูลมหายใจขึ้นใหมใ่ถ้าพูดโถก็พูดโถขึ้นมาใหม่แล้วมันจะเกิดปัญญาจากการเห็นตรงนี้ยังไงอ่ะคะแรกๆเราจะเห็นว่าสิ่งหนึ่งถูกรู้เนี่ยแสดงว่าสิ่งนั้นไม่ใช่เราแรกแรกเนี่ยก็เห็นว่าเวลาเห็นราคะราคะถูกรู้ราคะไม่ใช่เรา <ừ> โทสะถูกรู้โทสะไม่ใช่เรากายนี้ถูกรู้กายนี้ไม่ใช่เราค่ะแต่ยังรู้สึกว่าไอ้ตัวรู้อยู่เนี่ยเป็นตัวเรา <browsers. S 1> ดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆว่าตัวรู้ก็มีความความเกิดดับของมันด้วย บังคับไม่ได้มันต้องต้องค่อยๆเข้าใจจากการเห็นเห็นซ้ำๆไปเรื่อยจนจนกว่าจิตมันจะเข้าใจไม่ใช่คิดนำเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่คิดเอาแต่คิดนำได้แต่ตอนคิดนำยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ของจริงอันนี้เรียกว่าถ้าเป็นแต้มเห็นตอนนี้ก็สมมติว่าได้สามแต้มเห็นกิเลส ได้แต้มหนึ่งเห็นเวทนาได้สองแต้มเห็นจิตเคลื่อนได้สามแต้มสามแต้มสามแต้มแต่ละแต้มเลยนะก็ตอนแต้มที่สามเนี่ยแต้มสําคัญเพราะตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยจะเวลาเห็นรูปก็จะเห็นรูปแสดงความจริ ง, งว่าเห็นนามก็จะเห็นนามแสดงความจริงมีแต้มที่สี่ด้วยเห็นที่ด้วยได้สีแต้ม <c oughs> <c oughs> เห็นว่ามันดับจากตรงนี้แล้วไปเกิดตรงนู้น <c oughs> อันนี้เร็วกว่า เห็นม <makeup> no ันดับตรงนี้ไปเกิดตรงนู้นมันจะไม่เห็นจิตเคลื่อนแล้วนะจิตเคลื่อนเนี่ยยังเห็นช้าประมาณว่าจริงๆแล้วเห็นจิตเคลื่อนเนี่ยได้จิตตั้งมั่นก็จริงนะแต่กว่าจะเดินปัญญาต้องมาดูกายให้ได้หรือดูจิตให้ได้แล้วให้กายให้จิตแสดงความจริงอีกทีหนึ่งยังต้องใช้เวลาเหมือนกันแต่พอเห็นมันดับตรงนี้ไปเกิดตรงนู้นนะมันเกิดปัญญาทันทีเลยว่ามันเกิดดับ เห็นจิตที่เผลอเนี่ยนะไม่ใช่ว่าจะอยู่มันจะเผลอนะมันดับตรงนี้ก่อนแล้วไปเกิดตรงนู้นอย่างเช่นเมื่อเห็นพอหนุ่มตีคนนี้ยหันไปมอเนี่ยนะมันดับจากความรู้สึกตัวตรงนี้ไปเกิดตรงนู้นมันไม่ใช่ว่าจิตเคลื่อนอย่างนี้ไปแล้วนะมันดับตรงนี้แล้วไปเกิดตรงนู้นพอรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วดับจรงนู้นกลับตรงนี้อันนี้วัยระดับสี่ 4G มันจะมัน 5G เลยใช่ไหมเนี <laughs> ่ยจิตลงไปเนี่ยแล้วาอ่าเราเราูรา้ตรงอจี้หลงมันก็ดับอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ทีนี้พอเห็นโทสะค่ะอืพอเห็นก็เห็นว่าโทสะมันเกิดแต่มันไม่ดับอะค่ะมันก็ยังคุง้งคุ้งอยู่ยก็ยังมีโทสะอีกอย่างนี้มันมันต้องยังไงคะ เป็นไปนได้หลายอย่างอย่างแรกคือไม่ชอบใจเอโทรศั์นั้นก็เกิดโทรศัตัวใหม่แต่โทรศัในอารมณ์ที่ต่างกันสมมติว่าทีแรกทีแร ก, แรกโกรธโกรธแค่ไโกรธพ่อหนุ่มคนนี้คนเดิมนะโกรธพ่อหนุ่มคนนี้แล้วแม่เราเป็นนักภาวนาไม่น่าจะโกรธก็เลย มีความรู้สึกนี้นะก็ไปโกรธตัวเองความรู้สึกก็เหมือนกัว่าโกรธไม่ดับสักทีจริงๆก็คือโกรธตัวใหม่เป็นโกรธเป็นโกรธตัวเอ ง, องนี่อีกอย่างหนึง่งมันเป็นอะไรเป็นแรงเฉื่อย <laughs> เวลาโกรธ น, น, นะนะมันจะมีความเศร้าหมองทางใจเกิดขึ้น แล้วไม่ทันสังเกตว่ามันมีความเศร้าหมองตกค้งงกางมันกลายเป็นว่าความเศร้าหมองนะั้นยังยังเห็นความเศร้าหมองอ น, นี้อยู่ทุกครั้งที่มีกิเลสเกิดขึ้นมาเนี่ยยังมีมันจะมีอะไรก็เรียกว่าเป็นวิบากทางจิตเวลาครูบาอาจารย์มองเราเนี่ยนะจะเห็นร่องรอยเก่าๆ <laughs> ที่เราที่เรา ฝากรอยเอาไว้ในใจบางทีก็เห็นเห็นอยู่มันเป็นคล้ยๆแรงเฉยหรือว่าเป็นบิบากที่ส่งผลบางทีอาจจะส่งทางกายก็ได้หรืออาจจะส่งผ ล, งผลทางจิตเกิดความอะไรเกิดความโกรธขึ้นมาเนี่ยบางทีมันส่งผลให้จิตมันโมห ม, มองอยู่พักหนึ่งถ้าเราไปเห็นเรืงนั้ น, น, นแล้วไม่พอใจก็กลายเป็นโกรธตัวใหม่อยู่ดี นีพอหนึ่องออกนะประมาณอย่างนี้แต่ส่วนใหญ่น่าจะเป็นอย่างแรกไม่ชอบใจความโกรธแล้วก็โกรธต่อแต่เป็นโกรธอารมณ์ใหม่แทนที่จะเป็นโกรธคนนั้นเป็นการเป็นโกรธไอ้ความโกรธเมื่อกี้นี้จิงมันนี้มามาพูดถึงเรื่องเหตุปัจจัยอ่ะ mm hmm. เหตุปัจจัยตัวสำคัญในการเป็นป่าคือ ที่เรามักจะเข้าใจผิดก็คือตัวที่สองในไตรสิกขาศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาเนี่ยพอสร้างเหตุปัจจัยในเรื่องของจิตสิกขาผิดมันก็เลยความประชุมพร้อมของเหตุปัจจัยไม่พอเหมือนมีเมล็ดมะม่วงแต่ไม่มีน้ำไม่มีปุ๋ยไม่มีดินไม่มีแสงแดดไม่พอ มีแต่มเมล็ดมะม่วงไม่พอต้องทำเหตุปัจจัยอื่นๆคือนอกจากศีลและปัญญาปัญญาจะเกิดไม่ได้ด้วยถ้าถ้าสมาธิหรือว่าตัวจิตในสิกขายังไม่ถูกจะเป็นปัญญาแบบคิดเอาคิดเทียบเคียงเอาดงนั้นปัญญาจะเกิดได้เนี่ยต้องให้มีสมาธิที่ถูกต้องพอสมาธิที่ถูกต้องคือมีจิตเป็นผู้รู้ พอจิตเป็นผู้รู้ขึ้นมาแล้วน่มันจะแยกธาตุแยกขันธ์จิตผู้รู้เนี่ยพอเกิดขึ้นมาแล้วเราอาจจะบรรยายไม่ถูกว่าจิตผู้รู้เป็นยังไงแต่ผลจากจิตผู้รู้เนี่ยเราพอจะชัดเจนได้ว่าหลังจากมีจิตผู้รู้แล้วมันจะแยกธาตุแยกขันธ์น Ahmed, ภาษาครูบาอาจารย์เียแล้วแยกธาตุแยกขันธ์ก็คือเวลาเห็นรูปเป็นรู ป, ป, รปมีผู้รู้ต่างหากเวลาเห็นกิเลสก็เป็นกิเลสมีผู้รู้ต่างหาก เรียว่าเวลาเห็นรูปก็เห็นกายในกายเป็นเห็นมันเป็นกายจริงๆเวลาเห็นจิตก็เห็นจิตในจิตคือเห็นมันเป็นจิตไม่ใช่เราแต่ส่วนใหญ่ยังติดอยู่ว่าไอ้ผู้รู้เป็นเราเรากําลังดูเรากําลังเห็นกิเลสเราเห็นราคะเราเห็นโทสะมันยังมีเราอยู่อันนี้เป็นธรรมดาของปุถุชนแต่แค่เห็นอย่างนี้นะก็รู้สึกว่าความจริงค่อยๆเปิดเผยขึ้นมาเรื่อยๆจากเดิมเนี่ยขันห้ารวมเป็นเรา เรากําลังนั่งเรากําลังพยักหน้าอย่างเงี้ยนะเราเริ่มเห็นว่าอืมที่ว่าเป็นเราเนี่ยมีกายกับเรามีกายกับเรากายไม่ใช่เราแต่มีเราเป็นกําลังผู้รู้อยู่เี่มาดูในน้ําเองที่ว่าเป็นเราเนี่ยในในความเป็นเราเนี่ยก็แตกออกมาเป็นเวทนาบ้างเป็นสังขารคือความปรุงแต่งเป็นเป็นบุญเป็นบาปเป็นกิเลสอะเรตัวนี้และในที่สุดดูไปเรื่อยๆนะจะเห็นว่าไอ้ตัวรู้เนี่ย เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็เผอเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็เผลอความเดี๋ยวก็มีผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้เผอเนี่ยนะไอตัวรู้ที่เรื่องส่าเป็นเรากลับกลายเป็นว่าไม่ใช่ด้วยไม่มีเรามีแต่ตัวรู้ที่มันเกิดดับเกิดดับพออยากให้มันรู้นานๆก็กลายเป็นตันหา พออยากให้รู้นานๆกลายเป็นญหาตัณหาเป็นเหตุให้ทุกข์ก็ให้รู้ให้รู้ตัวตัณหาทีเวลาดีและอยากดีนานๆให้รู้ตัณหาอยากดีอยากดีอยากสุขอยากสงบตัณหาส่วนใหญ่ของนักปฏิบัติจะมีสามตัวนี้อยากดีอยากสุขอยากสงบเวลามีความสุขขึ้นมาอยากสุขนานๆเวลาสงบขึ้นมาอยาให้สงบนานๆดีสุขสงบเป็นตัวหลอกพออยากจะให้ดีสุขสงบให้รู้เลยว่านี่คือมีตัณหา จริงดีสุขสงบมันจะมีอยู่เสมอในระหว่างการปฏิบัติแต่ไม่ใช่รักษามันให้อยู่ต่อเนื่องอนันต์การไม่ให้มันไ ม, ไม่ให้มันเกิดดับเนี่ยเป็นไปไม่ได้เราจะดูให้เห็นว่าดีสุขสงบเหล่านี้ก็เกิดดับไม่เที่ยงเหมือนกันให้เห็นให้มันแสดงความจริงในแง่ตรายรักให้ด้วยไม่ใช่ให้มันเป็นเรื่องอะไรเรื่องไม่เกิดไม่ดับ มันต้องแสดงไตรลักษณ์ให้ดูด้วยนั้นอย่าไปรักษามันถ้าจิตภาวนาสมถะอย่างมีความสุขแบบไม่เครียดไอ้ดีสุขสงบเนี่ยมันจะเกิดขึ้นบ่อยๆอยู่เองเป็นธรรมชาตินะแต่ถึงกระนั้นมันย่อมดับมันย่อมดับนะกำลังของสมถะก็ยังมีการเกิดดับดังนั้นสมถะต้องทำไปเพื่อให้เกิดพิปปัสนา นั้นเมื่อเปการมันแสดงความจริงว่ามันเกิดดับแล้วก็เห็นความจริงไปก่อนว่านี่คือมันดับแล้วให้เห็นความให้เข้าใจตรง น, นี้ก่อนถ้าไม่เข้าใจก็จะมีการดิ้นรนดิ้นรนเนี่ยสุขก็ดิ้นรนสแสวงหาทุกข์ก็ดิ้นรนหลีกหนีมีการดิ้นรนทั้งสุขทุกข์ถ้าเข้าใจดูไปเรื่อยๆจะเห็นว่ามันก็เกิดดับ มันก็ไม่เที่ยงจะห น, นี้อะไรกับสิ่งที่ไม่เที่ยงทุก์ก็ไม่เที่ยงจะรักษาอะไรกับสิ่งที่ไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงเนี่ยถ้าถึงตรงนี้ได้เนี่ยชีวิตจะสบายอีกเยอะเลย <c oughs> แปรยากไหม <laughs> เข้าใจไม่ต้องถามคนฟังเข้าใจนะมั้งิงบายแต่ว่าเข้าใจรู้ <laughs> ไม่คิดคำหรอก <laughs> มีคำถามไหมมีคาถามไหม <laughs> เราเราปฏิบัตินะปฏิบัติเพื่อให้เห็นความจริงดะ <laughs> ะนั้นอย่าไปแทรกแซง ให้มันแสดงความจริงข้อผิดพลาดก็คือว่าส่วนใหญ่ตั้งใจจะไปทำความสงบนิ่งว่างให้มันดีให้จิตมันดีแล้วก็ไปบังคับมันพอไปบังคับมันจิตก็เครียดนี่คือผิดแบบหนึ่งหรือว่าพอได้ดีแล้วอยากรักษาให้มันดีนานๆแล้วจริงๆความจิตที่มันดีที่สุขสงบเนี่ย มันก็แสดงไตรลักษ์ให้ดูแล้วเราก็ทนไม่ได้ที่มันแสดงไตรลักษ์ให้ดูแสดงว่าแสดงว่ายังไม่ยอมเจริญปัญญาอยากจะให้มันดีนานๆสุขนานๆ น, น, นิ่งนานๆสงบนานๆพอมันแสดงไตรลักษ์ให้ดูเราไม่พอใจเห็นเราแสดงว่าเราไม่ได้ตั้งใจเจริญปัญญาเราจะไปตั้งใจเจริญอะไรเจริญสมถะอย่างเดียวงั้น ว่ามามคือที่พระอาจารย์ เ, ออเมื่อกี้ที่เชิว่าอย่างจิตตะศิขาที่ว่ามีบางคนที่ทำผิดอย่างเช่นการไปติดเพ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมีความสงสัยเพราะว่าเหมือนเคยได้ยินจากอาจารย์ประสานเนี้ยนะคะว่าแบบว่าอย่างขั้นของผู้ที่บรรลุอนาคามีผลเนี่ยยังสามารถที่จะ <c oughs> จิตไปติดเพ่งได้ด้วย อันนี้ไม่ทราบว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรงะคะ่ะเป็นเป็นภูมิธรรมในระดับชั้นของท่านประมาณว่าตัวตัวภูมิธรรมของพระอนาคามีเนะี่ยยังเรียนไม่จบเวลาการแสดงเวลามีความเบื่อโลกเนี่ยนะ มันหน่ายโลกเลยนะท่านก็จะเข้าฌาน mm hmm. การเข้าฌานเนี่ย mm hmm. บางทีก็เป็นการทำจิตให้เคลื่อนไปหาอารมณ์ mm hmm. เพ่งระดับพระอนาคามีเนี่ยไม่มีปัญหาหรอก mm hmm. สาหรับเ mm hmm. ทียบกับเพ่งแบบเราเนี่ยนะนั้นไม่ต้องไปห่วงท่านแต่มันมันแสดง แสดงถึงความเคลื่อนของจิตให้ดู oh. ถ้าเป็นพระอรหันต์จิตจะไม่เคลื่อนอันน mm ี hmm. ้ถ้าเป็นพระอนาคามีที่ชนานาญด้านการดูจิตท่านก็จะสังเกตเห็นได้ว่านี่ยังไม่จบ mm hmm. จิตยังเคลื่อนอยู่ mm hmm. ท่านก็จะยังไม่วางใจ mm hmm. พระอนาคามีที่บางทีท่านมาทางทางดูกาย บางทีท่านไม่ทันสังเกต Diamond, ว่าจิตเคลื oh. kind of ่อนพอถึงขั้นตรงนี้แล้วเนี่ยบางทีท่านเข้าใจว่าถึงขั้นสุดท้ายแล้วก็มีแต่ไม่ต้องไปห่วงท่านพอดีเห็นอาจารย์ประสานพูดก็เงงจริงเหรอพระนาคามียังติดเพ่งได้ด้วยเอออันนั้นไม่ต้องไปห่วงท่านนะอันนี้ห่วงเราดีกว่า อาจารย์ท้ า, ทาอีกข้อหนึ่งค่ะคืออยากสอบถามค่ะพอดีเคยได้ยินแบบบางท่านผู้รู้บางท่านก็บอกว่าเถ้ายังไม่ถึงขั้นสี่ขั้นจบกิจเนี่ยไอ้ความที่มีอารมณ์เหมือนโลกซึมเศร้าเนี่ยจะเกิดขึ้นเรื่อยๆเลยบ่อยมากเหมือนแบบบางทีบางบางบา ง, บางทีจะฆ่าตัวตายเลยอะไรเงี้ยอันนี้มันมันจริงเหรอคะซึมเศร้าเหรอเหมือนเบื่อโลกเบื่อชีวิตเลยน่นนั่น มันคงไม่ถึงขัง้นซึมเศร้าแล้วนะ อ, อย่างพระอนาคามีเนี่ยจะไม่มีซึมเศร้าแน่เพราะว่าท่านท่านไม่ได้หวังอะไรกับโลกนี้อยู่แล้วดัะนั้นไอ้คาว่าซึมเศร้าในความเข้าใจของเราจะไม่เกิดกับบุถุชนเอ้ยขอไปไม่เกิดกับพระอนาคามีมแต่อย่างถ้าทลงมานี่ก็คื อ, อยังอาจจะมีบ้างที่ว่าเบื่อชีวิตเบื่อโลกอะไรเงี้ยเหรอคะ แต่ก็ไม่น่าจะถึงขั้นซึมเศรา้าพระโสดาบันเอาว่ขั้นต่ำสุดเลยนะยังมีราคะโทสะโมหะครบหมดเลยเนี่ยนะแต่ถึงจะมีก็ไม่น่าจะถึงขนาดซึมเศรา้าซึมเศร้าเนี่ยน่าเป็นห่วงนั้นะระดัท่านไม่น่าเป็นห่วง <c oughs> ค่ะกับขอบพระคุณมากค่ะข อ, อนโมทนาสาธุบุญอาจารย์กิตินะคะสาธุค่ะมีโมทนานด้วย <laughs> <laughs> คือกิเลส ข, ของพระอริยะเนี่ยนะมีอยู่ก็จริงแต่ว่า <laughs> เทียบกับปูุ้ชนแล้วเนี่ยมีในระดับที่ไม่น่าเป็นห่วงหมายถึงว่าเทียบกับปุุ้ชนนะ แต่ถ้าท่านไม่เป็นห่วงตัวเองอันนี้น่าเป็นห่วงเหมือนกันเนหมือนถึงว่าถ้าท่านพอใจแล้วแค่ น, นี้อันนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าประมาทเนี่ยต้องให้พัฒนาไปเรื่อยๆเพราะว่าทุกยังมีอยู่แต่ที่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงท่านเนี่ยเพราะว่าทุกข์ของผุุ้ชนกับทุกของพระโสดาบันเนี่ยนะเทียบกันไม่ติดเลยพระพุทธเจ้าเคยเอาเล็บของพระองค์เนี่ย เขีย่ยเขี่ยดินมาดินผงๆเลยนะเรียกภาษาชาวบ้านเรียกว่าเป็นขี้เล็บเลยเขี่ยดินมากล า, ายเป็นขี้เล็บเนะี่ยท่านก็ชี้แล้วก็ถามพระภิกษุทั้งหลายที่ตามมาถามว่าดินในเล็บกับดินบนแผ่นดินอันไหนมากกว่ากัน mm hmm. มันไม่ใช่ปัญหาชาวพระก็ตอบได้ว่าดินในเล็บนะเทียบ ก, กันไม่ได้เลยกับดินบนแผ่นดินนี้พ mm hmm. ระเจ้าก็ตรัสรับรองว่าใช่อย่างนั้น ดินในเล็บเนี่ยเปรียบแล้วก็คือทุกของพระโสะดาบันทุกพรโสะดาบันเนี่ยเท่าขี้เล็บคิดกันไปแล้วพูดรูดพูดได้เป็นอะไรสำนวนแบบชาวบ้านทุกพระโสะดาบันก็คือเท่าขี้เล็บทุกของปุถุชนเนี่ยเท่ากับแผ่นดินเรามาอ่านทีแรกนั้นทําไมมันต่างขนาดนี้ mm hmm. เพราะว่าความรู้สึกนะว่าพระโสะดาบันก็มีราคะโทสะโมหะมันน่าจะพอๆกับปุถุชนนะมัน ถามากกมากกว่ากันไม่น่าจะเทียบกันไม่ติดขนาดขี้เล็บกับแผ่นดินแล้วในประสูนยก็เฉลยเฉลยว่าเหตุที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าเพราะโสอดาบันเนี่ยเกิดดับอีกไม่เกินเจดชาติแต่ปุถุชนเนี่ยเกิดดับอีกยังไม่มีจุดจบเลยแล้วการเกิดทีไรเป็นทุกทุกที และระหว่างเกิดจนตายก็ยังทุกข์ด้วยเนี่ยเกิดมาจนบัตรเนี่ยทุกข์ไม่รู้กี่ครั้งแล้วใช่ไหมแล้วมันทุกข์อีกจนกว่าจะตายและตายแล้วก็ยังไม่พ้นมันก็อีกไม่รู้กี่ชาติแต่พระสดบิบาลเนี่ยอีกไม่เกินเจดชาติในภูมิทางของท่านนะอย่างชา้าเจ็ดชาติอย่างเร็วขึ้นมาหน่อยอีกประมาณสามชาติถ้าท่านมีกาลังมาก มีอินทรีย์แก่กล้าในชาตินั้นท่านก็พัฒนาจนท่านถึงขั้นสุดท้ายได้นั้นพระโสะดาบันมีทุกข์อยู่ก็จริงแต่เท่าขี้เล็บเท่าขี้เล็บถ้าเทียบกับปุถุชนแล้วเนี่ยปุถุชนเหมือนทุกข์เข้าแผ่นดินนั้นอย่าไปห่วงท่านเนี่ยไม่ให้ห่วงแม้กระทั่งตั้งแต่พระอนาคามีจนถึงพระโสะดาบันเราไม่ต้องห่วงทะาห่วงตัวเองดีกว่า เราปฏิบัติเพื่อให้ทุกของเราลดน้อยลงสั้นลงจนถึงไม่มีส่วนใครพ้นทุกข์แล้วเนี่ยเราไม่ได้พ้นด้วยเราก็ทุกข์อยู่นะเห็นไหมถ้าเราพ้นทุกข์แล้วเขาเขาโผลเขายังทุกข์อยู่เราก็ไม่ทุกข์ด้วยดังนั้นมันอยู่ที่เราแล้วใจของเราจะฉลาดได้ต่อเมื่อเอามาใส่ใจตัวเอง ที่ว่าให้ดูกายดูใจต้องดูกายดูใจตัวเองนะไม่ใช่ใดูกายดูใจคนอื่นถ้าดูใจคนดูกายคนอื่นแล้วพ้นทุกเนี่ยนะหมอจะพ้นทุกใช่ไหมพอะหมอเรียนกายวิภาคมารู้หมดเลยว่ากระดูกท่อนไหนเรียกว่าอะไรมีชื่อหมดเลยพอเรียนกายเสร็จแล้วน่าจะเป็นอนาคามีแล้วล่ะใช่ไหมันรู้ความจริงของกายแล้วหมดกามหมดกามแน่นอนแต่ไม่ใช่ใช่ไหม มันต้องเห็นกายตัวเองและเข้าใจกายตัวเองไม่ใช่เห็นเห็นกายคนอื่นแล้วก็จะพ้นเรื่องพ น, พนทุกข์ทางจิตก็ต้องเรียนจิตตัวเองไม่ใช่เรียนจิตคนอื่นก็ต้องเรียนจิตตัวเองดูจิตตัวเองแสดงความจริงดูกายตัวเองแสดงความจริงนี่เป็นผู้สำนวนนะจริงๆแล้วตัวเองไม่มีด้วยทั้งตัวเองและทั้งต่เองอะไรยเงี้ยไม่มี <c oughs> ภาษาไทยนี่เล่นยากนะถ้าพบว่าให้ดูตัวเองสิให้ดูตัวเองเนี่ยมันคือตัวเองหมายถึงใครให้ดูตัวเองสิมันควรควรจะเห็นตัวเองนี่นะแต่ให้ดูตัวเองสิมันคือคู่สนทนาแล้วใช่ไหมเป็นเขาเรียกว่าอะไรบุรุษที่สองใช่ไหมภาษาไทยเลยเล่นยากฝรั่งงง คนจีนงงไหมงงไหมเงคือเอเอ้เขาเรียกอะไรสรรพนามสรพนามคนไทยมันใช้จนงงไปหมดแล้วแต่ตัวสำคัญก็คือว่าความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเนี่ยต้องทำบ่อยๆก็เป็นจุดเริ่มต้น ไม่ใช่เรียนมาหมดแล้วเนี่ยก็จะดูดูอะไรดูเมื่ อ, อไหร่ดูกายดูใจเนี่ยจะทํายังไงให้เกิดมีความเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจก็ต้องทําความรู้สึกตัวขึ้นมาก่อนความรู้สึกตัวเนี่ยจริงๆแล้วก็คือสมถะอันนี้สมถะเนี่ยเราอย่าอย่าไปลังเกียจสมถะ เ, ะเราเจริญวิปัสสนาก็จริงเน่นะต้องทําสมถะด้วยแต่ทําสมถะเพื่อเป็นบาดฐานให้เกิดวิปัสสนา ไม่ได้ทําสมถะเพื่อให้มันนิ่งให้มันว่างให้มันสุ kn า น, น, านอะไรทําเพื่อเป็นบาตรฐานเพราะนั้นกว่าจะให้เกิดวิปัสสนาขึ้นมาได้แต่ละครั้งเนี่ยมันต้องเป็นสมถะก่อนเสมอให้มีสมถะขึ้นมาสักอย่างหนึ่งดังนั้นครูบาอาจารย์ก็จะให้ทํากรรมฐานกันสักอย่างนึงแต่ไม่ได้ทำกรรมฐานนั้นเพื่อกรรมฐานนั้นทํากรรมฐานเพื่อเรียนรู้จิตอย่างเช่ น, นพุทธโธไม่ใช่พุทธโธเพื่อพุทธโธถ้าพุทธโธเพื่อพุทธโธก็จะกลายเป็นธรร อารัมมณูปนิชานแต่ถ้าทาพุทโธไปเพื่อเรียนรู้จิตที่มันเผอจากพุทโธเห็นจิตที่เผอจากพุทโธก็เห็นจิตแสดงความจริงคือมันเกิดดับเมื่อกี้อยู่กับพุทโธแล้วก็เผอไปจากพุทโธจากมีสมถะตรงนี้สมถะดับไปแล้วกลายเป็นจิตที่เผอแค่นี้ก็แสดงความจริงแล้วพอเห็นความเผอความเผอดับไอ้ความเผอก็แสดงความจริงอีกก็เห็นลักษณะของมันตัวแสดงความจริง ที่เป็นตัวเอกก็คือจิตไม่ได้เป็นที่พุโทโธนั้นแยกให้ออกนะเวลาทำสมถะตัวเด่นคืออารมณ์เวลาวิปัสสนาก็คือตัวเด่นคือรูปหรือนามในพวกเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเห็นหนามคือจิตแสดงไตรลักษณ์ให้ดูนั้นต้องเลือกพระเอกนางเอกในการปฏิบัติของเราด้วยผู้หญิงก็จะเป็นนางเอกนะผู้ชายก็จะเป็นพระเอก แต่ก็ไม่แน่เนาะบางทีก็เนี้เอาเป็นว่าเป็นตัวเอกก็แล้วกันเอ อ, อไม่ต้องเป็นพระเอกเป็นตัวเอกก็แล้วเป็นผู้แสดงนำอย่างที่บอกว่าเผอรู้เผอรู้อย่างเงี้ยค่ะแต่เราไม่รู้สึกว่ามันเกิดหรือดับนี้เราต้องไปย้อนกลับไหครับื่อกี้มันดับหรืออะไรอย่างนี้หมครัไม่ต้องไม่ต้องจิตมันเรียนของมันอยู่แล้วมันเห็นอยู่แล้วว่ามันดับ อแล้วทีนี้คือเคยอยู่เป็นโทรศัพท์างเงี้ยค่ะแล้วเว่าขับรถอ่ะก็บางทีรู้สึกว่าเราก็ด่าไปเรียบร้อยแล้วอ่ะโอ้ด่าไปแล้วเหรออแืแต่ว่าคืออยู่ขับรถเขาไม่ได้ยินเราไงคะแต่บางทีเรารู้สึกว่าะตอนขับรถไม่มีเราไม่ใช่เราขับรถไปเราเราไม่เขาไม่ได้ยินแน่นอนอือเขาไม่เขาไม่ได้ยินเราค่ะเขาเราขกบไปแล้วบอกเฮ้ยคือเขาเขาตัดหน้ามาอย่างเงี้ยแล้วก็ชั่วเรียบร้อยแล้วผดาน่าเนี่ยใช่ค่ะเสร็จแล้วพขรู้สึกว่าอุ้ย อุ๊ยป <Lord> <ine> ๋าเหาะจะทีนี <workout S 2> ้มันต้องคิดยังไงเพื่อไม่รู้สึกว่าวันนี้แยกแล้วฉันด่าไปแล้วเรียบร้อยก็เห็นมันเกิดดับเราต้องสร้างการเห็นเกิดดับเองเนะคะหรือยังไงเห็นว่าเมื่อกี้ความเผ้อที่พูดไปเนี่ยคําพูดทั้งหลายดับไปแล้วเพ้อด่าเนี่ยด่าดับไปแล้วเรียบร้อยแล้วสําเร็จแล้วแก้ไขไม่ได้แล้ว จิตขณะนั้นเป็นโทสะจิตปรุงเป็นนามธรรมเรียบร้อยแล้วนะแล้วปรุงเป็นคำพูดในใจแล้วก็ออกมาเป็นวาจาออกเปล่งเสียงสำเร็จทั้งทางมโนกรรมและวจีกรรมเรียบ ร, ร้อยแล้วเพียงแต่ว่ามันดีอย่างหนึ่งคือได้ยินคนเดียวนไอ้อ bras, คู่กรณีไม่ได้ยินด้วยก็เลยไม่เกิดการจองเวรกันแต่ว่า กรรมนั้นสําเร็จแล้วก็เริ่มต้นทําใหม่ให้รู้ทีนี้ในแง่ที่บอกว่าไตสิกขาอนิจจังทุกขังอนัตตาเราไม่เราไม่รู้สึกมันเดี๋ยไตสิกขาไม่ใช่อนิจจังทุกขังอนตาไตสิกขาคือศิลสิกขาจิตไตสิกขาแล้วก็ปัญญาสิกขาคือหัวข้อนั้นไตรักไตรักเหรอไตรักเนี่ยค่ะเราไม่รู้สึกเราเห็นไตรัก เราแค่รู้ว่าเราเผลอๆอย่างเดียวถ้าเรารู้สึกแค่เผลอแต่เราไม่เออเดี๋ยวมันจ ะ, ะเห็นเองไม่เป็นไรตอนเห็นมันจะเห็นเองและตอนเห็นอาจจะไม่พูดก็ได้อตอนพูดในใจอาจจะไม่เห็นก็ได้อ๋องั้นคือไกลลักคือความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นเองเป็นจะเป็นความเข้าใจความเข้าใจเป็นความจริงที่จิตมันเข้าใจความจริงเบื้องแรกความจริงขั้นต้นนะที่เห็นก็คือมีโกรธเกิดจริงจริงมีราคะเกิดขึ้นจริงๆ มีความเผลอเกิดขึ้นจริงๆมีฟุ้งซ่านเกิดขึ้นจริงๆมีกิเลสเกิดขึ้นจริงๆพอเห็นไปเนี่ยนะเห็นบ่อยๆเข้าเนี่ยมันจะเริ่มประมวลเป็นความรู้อันใหม่ขึ้นมาก็เรียกว่าทุกครั้งที่เห็นความเผลอเผลอดับทุกครั้งที่เห็นความโกรธความโกรธดับทุกครั้งเห็นราคะราคะดับอย่างเงี้นะมันก็จะประมวลว่าสิ่งเหล่านี้เกิดดับเห็นว่ามันเกิดดับนนะเห็นครั้งแรกแล้วว่าเกิดเวิปัสสนา เห็นไตรลักษณ์คือมันแสดงความจริงว่าเป็นอนิจจ์ตัวที่แสดงความจริงอนิจจ์ทวกขังนั้นตาได้เนี่ยต้องเป็นรูปหรือนามเท่านั้นในนามเองก็จะมีแบ่งแยกออกไปสําหรับพวกเราเนี่ยจะเรียนเรื่องนามกันก็จะมีรายละเอียดเรื่องนามมากหน่อยก็คือตัวจิตกับเจตสิกที่แยกยี้เพราะว่าเรามักจะเห็นเจตสิกแสดงไตรลักษณ์ก่อนส่วนจิตเนี่ยจะยังไม่เห็น เจตสิกก็คือเห็นกิเลสเกิดดับก <Alex> ิเลสอยู่ในสังขารขันเห็นกิเลสเกิดดับหรือไม่ก็เห็นเวทนาเกิดดับเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ถ้าเกิดเป็นว่าเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเนี่ยก็อยู่ในเรื่องของสังขารขันมันก็กลายเป็นว่าเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายจะเห็นว่าเวทนาบ้างสังขารบ้างเนี่ยแสดงไตรลักให้ดูไปไปมาๆนะดูไปดูมาเริ่มเห็นว่าราคะ ตัวศาโมหะที่เป็นสังขารขันเนี่ยถูกรู้นี่เป็นการแยกระหว่างสังขารขันกับวิญญาณขันดูไปดูไปไอ้วิญญาณขันที่เป็นผู้รู้เนี่ยก็เกิดดับด้วยเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็เผลองั้นก็หมายถึงว่าหน้าที่ณตอนนี้คือหน้าที่ที่เราทําก็คือเผลอก็รู้แค่นี้ไปก่อนเรื่อยๆใช่ไหมคะทำเหตุปัจจัยเพื่อให้ได้ผลการทําเผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้เนี่ยนะเรากําลังเรียน วิชาหนึ่งขึ้นมาให้เกิดสติแรกๆได้เกิดสติก่อนสติเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยพอเรียนเรียนไปจะเห็นจิตเคลื่อนจิตเคลื่อนก็ได้สมาธิเห็นจิตเคลื่อนเองหรือเห็นว่ามันเกิดดับนี่นะก็เห็นว่ามันแสดงไตรลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่งคือเห็นว่ามันแสดงอ น, นิจจังบ้างเห็นแสดงอนัตตาบ้างอันนี้ได้ทั้งสามตัวคือมีสติด้วยสมาธิก็มีด้วย แต่ตัวเด่นๆคือกลายเป็นปัญญาเห็นมันแสดงตรายั์ให้ดูถึงขั้นนี้เราจะเรียกว่าได้ปัญญาแต่จริงๆมันคือได้มีทั้งสมาธิและสติด้วยแต่เวลาเราเรียกเราจะเรียกตัวที่เด่นเหมือนตอนเห็นจิตเคลื่อนเนะี่ยจริงๆก็มีทั้งสติและสมาธิแต่ตัวเด่นคือสมาธิเราก็เรียกว่าตัวนี้ได้สมาธิคือจิตตั้งมัน่นตอนมีสติจริงๆก็มีมีองค์ประกอบ อื่นๆ อ, อ, อีกเช่นใจสว่างเป็นสุขอะไรเงี้ยนะแต่เราไม่เน้นตัวนั้นเราเน้นเราเน้ น, น, นที่ตัวสติเราเรียกว่ามีสติเกิดขึ้นเอาเอ า, เอาตัวเด่นที่เราต้องการขอบพระคุณค่ะงั้นเวลาเราจะฝึกจิตสิกขาก็ทำกรรมฐานขึ้นมาสักอย่างหนึ่ง จิตสิกขาเนี่ยถ้าเทียบอยู่ในมรรคองเนี่ย น, นะมันก็คือสัมมาสามอย่างคือสัมมาวายามะคือความเพียรชอบสัมมาสติแล้วก็สัมมาสมาธิทุกครั้งที่เราเริ่มต้นอยู่บ่อยๆแล้วก็เห็นสภาวะบ่อยๆความเห็นบ่อยๆนั้นเรียกว่ามีสัมมาวายามะมีความเพียร ทำความเพียงอยู่เรื่อยๆรู้สึกถึงจิตแสดงความปรากฏการทางจิตบ้างปรากฏการทางกายบ้างเห็นสภาวะทางกายบ้างทา ง, ทางรูปบ้างทางนามบ้างเลยนะเรีวมีสติสติต้องเป็นสติระดับนี้คือเห็นกายหรือเห็นใจเห็นรูปหรือเห็นนามไม่ใช่สติเห็นว่ามีใครเดินเข้ามาหรือว่าอาคารทำดีรุ่งโรจนะ์อยู่ตรงไหนมาถูก บอกกับยามข้างหน้าได้ว่าจะมาที่นี่อะไรเนะี่ยอย่างนี้เรียกว่าเป็นสติแบบทั่วๆไปไม่ใช่ไม่ใช่สติปัฏฐานสติปัฏฐานจะรวบลงอยู่แค่สี่เรื่องคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตหรือรู้ธรรมในสี่อย่างนี้รวบยอดเรียกเรียกว่ารู้กายรู้ใจดังนั้นถ้ารู้นอกจากนี้ยังไม่ใช่สติปัฏฐานและยังไม่อยู่ในองคัตย์ดังนั้น ถ้าจะให้รู้ให้อยู่ในองค์มรรคก็ควรจะรู้อยู่ในเรื่องของเรื่องนี้นั้นทํากรรมฐานไปก่อนถ้าตั้งต้นกรรมกรรมฐานขั้งแรกเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในกายในใจเช่นพุโทโธพุธโทโธไม่ได้อยู่ในกายในใจหรือว่าสวดมนต์อะไรสักบทหนึ่งนะเป็นสมมุติบัญญัติไม่อยู่ในกายในใจแต่สวดเพื่อจะดูกายบ้างดูใจบ้างสวดสวดไปทีเห็นปากพังาบพังงาบเนี่ยก็ดูกายบางทีสวดสวดไปเห็นจิตเผลอ จเผอไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ว่ารู้ทันจะคิดเรื่องอะไรช่วงนี้จะคิดเรื่องอะไรรัฐบาลใหม่จะตั้งสำเร็จไหมอะไรประมาณนี้คิดคิดไปไงนะอันนี้หายใจอยู่พูดโทรอยู่ยืดลืมแ ล, และกลายเป็นรัฐบาลใหม่ลุงตู่สองอะไรเงี้ยเข้าใจเนาะแล้วตัวที่ จะเกิดปัญญาศิกขาก็คือต้องมีองค์ประกอบพร้อมพอมีความเพียรทำบ่อยบ่อยเห็นสภ า, าวะทางกายบ้างทางใจบ้างก็เห็นเห็นสภาวะเหล่านี้ทีไรเนี่ยจะเกิดสติเป็นสติปัฏฐา น, นหนือไมถ้าแยกออกไปละเอียดก็คือมีรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมถ้าว่าง่ายๆก็คือรู้รูปรู้นามง่ายกว่านั่นคือรู้กายรู้ใจ รู้กายรู้ใจและได้สะสมความเพียรมีสติรู้สภาวะแล้วบางทีก็จะเห็นจิตที่เคลื่อนแสดงความไม่ตั้งมัน่นเห็นความไม่ตั้งมัน่นได้ความตั้งมัน่นก็กลายเป็นสัมมาส ม, มาธิมีองค์ประกอบสามตัวนี้มันก็เริ่มแยกรูปแยกนามตอนแยกรูปแยกนามเนี่ยได้ปัญญาได้สัมมาทิฏฐิว่าแทนที่จะเห็นว่า กายนี้ใจนี้เป็นเราก็เริ่มเห็นความจริงแล้วกายไม่ใช่เราดูไปเรื่อยๆก็จะมีความเข้าใจถูกครั้งแรกขึ้นมากลายเป็นว่าใจนี้ก็ไม่ใช่เราด้วยไอตอนเห็นว่าใจนี้ก็ไม่ใช่เราด้วยเนี่ยละสกายยติทิแล้วก็เป็นประสราบานสร้างเหตุปัจจัยให้พร้อมของเราเนี่ยนะทำเหตุปัจจัยอยู่ในขั้นทำเหตุปัจจัย ถ้าทำเหตุปัจจัยทำเหตุปัจจัยถูกผลมันจะได้เองผลแม่ไม่ต้องการก็จะได้ท่านว่าอย่างนี้เลยนะแม่ไม่ต้องการก็จะได้เหมือนแม่ไก่ฟักไข่แม่ไก่ฟักไข่ขอยฟักไปเรื่อยๆแม่ไม่ต้องการลูกเจี๊ยบเดี๋ยวมันก็จะออกมาเหมือนชาวนาน้ํามากเอาน้ําออกน้ําน้อยเอาน้ําเข้าดูแลใส่ปุ๋ยอะไรเนี้ยถึงเวลาออกรวงเอง ไม่มีหน้าที่จะไปดึงรวงออกมาทำเหตุปัจจัยให้หนาออกรวงเดี๋ยวออกรวงเองมรรคผลเหมือนกันเราไม่มีเร่งไม่มีหน้าที่ไปเร่งมรรคผลให้เกิดมีหน้าที่อย่างเดียวคือสร้างเหตุปัจจัยให้มรรคผล เ, เกิดนั้นผลเราหวังจริงแต่ไม่ไปทำผลไปทำที่เหตุนิโรธเราหวังนิโรธจริงแต่ไม่ทำนิโรธ พ่อไม่รู้จักไม่เคยมีใครเห็นนิโรธ้าถ้าเป็นปุถุชนนะไม่เคยมีใครเห็นนิโรธไม่เคยมีใครเห็นนิพพานถ้าให้ไปสร้างนิโรธจะเป็นนิโรธปลอมถ้าให้สร้างนิพพานจะเป็นนิพพานปลอมเพราะไม่เคยเห็นเหมือนถ้าเป็นนักปั้นประิมากรรมให้ปั้นหน้าโยมแม่ตมาทีก็ไม่เคยเห็นหน้าโยมแม่เลยจะปั้นได้ถูกได้ไงเข้าใจว่าน่าจะเป็นผู้หญิง ต้องเป็นผู้หญิงผมยาวๆหน้าเหมือนอาตมาลแล้สผมยาวๆเหี่ยวๆ ห, หน่อยแก่ๆหน่อยไม่ตรงยังไงก็ไม่ใช่เห็นไหมนั้นไปทำสิ่งที่ไม่เคยเห็นน่ะมันจะผิดงั้นไปทำเหตุเพื่อให้ได้ผลจะถูกแล้วก็ส่วนใหญ่จะไปเรียนรู้ในสิ่งที่ผิด รู้สิ่งที่ผิดเมื่อไหร่ได้ถูกทุกทีภาวนาไปเนยนะพุโทโธพุโทโธไปไอ้เผลอแล้วก็เผลอนะไอ้เผลอเนี่ยจริงๆคือผิ ด, ดใช่ไหมเพราะเราจะพุทโธใช่ไหมแล้วมันเผลอไปไอ้เผลอนี่ผิดแต่พอรู้ว่าเผลอถูกเห็นไหมอยู่กับพุโทโธเนี่ยนะมันควรจะอยู่ตรงนี้ไม่ควรจะเคลื่อนไปไหนไอ้เคลื่อนเนี่ผิดเห็นเคลื่อนถูก <laughs> เขมาใจไหม ภาวนาดูของผิดจะได้ถูกทุกทีอย่าไปสร้างของถูกเพราะมักจะผิดเพราะเรามักจะยังไม่รู้จักสิ่งที่ถูกแต่สิ่งที่ผิดมีอยู่เยอะเลยทุกคนมีสิ่งที่ผิดเต็มไปหมดเลยลงหน้าต่อมาด้วยงั้นดูสิ่งที่ผิดไม่ใช่ไปสร้างสิ่งที่ถูกเพราะสิ่งที่ถูกเรายังไม่คุ้นแล้วบางทียังไม่เจอแต่ทาเหตุก็คือทำปัญห า, มาไม้สักอย่างหนึ่งเพื่อดูจิต ที่เผยไปเป็นยังไงบางทีสวดมนต์ก็ได้สวมดมนต์ดีๆมากอนะสวดมนต์เป็นเป็นการทํากรรมฐานเป็นสมถะแต่เป็นสมถะที่ไม่ซ้ํำซากถ้าพุโทโธพุโทโธคนทีมคําเดียวคนขี้เบื่อมันมันมันก็เบื่อนะคําเดียวซ้ำๆคนไม่เบื่อก็ได้สมาธินะแต่คนขี้เบื่อก็พุโทโธเบือ่อแต่สวดมนต์น่ยจะเป็นระบบไดนามิก มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆคําจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆสวดไปปากประง่าประง่าเห็นกายเห็นกายสวดไปอยู่กับบทสวดได้สมถะสวดไปสวดไปเผลอจากบทสวดเห็นความเผลอได้สติก็สวดต่อถ้าไม่สวดต่อเดี๋ยวสวดไม่ได้ละมันจะลืมไปละถ้าไปเผลอนานๆก็ไม่ได้ด้วยเผลอนานก็สวดไม่ได้ลืม แล้วเวลาสวดมนต์มีข้อดีในแง่ทั้งทั้งในด้านของกรรมฐานโดยตรงเองคือมันเป็นสมถะสวดอยู่เนี่ยนะเป็นอยู่กับบทสวดเป็นสมถะเห็นจิตเผลอได้สติเห็นจิตเคลื่อนได้สมาธิเห็นจิตดับจากบทสวดมนต์ไปเกิดที่อื่นเห็นความเกิดดับได้ปัญญานี่นะนี่เป็น แง่ดีในแง่ของการกรรมฐานทำกรรมฐานได้ทั้งสมถกรรมฐานทั้งวิปัสสนากรรมฐานดีในแง่แบบอะไรลึกลับหน่อยเทวดาชอบสวดมนต์แล้วเทวดาชอบแล้วเทวดาที่ชอบเป็นเทวดาฝ่ายเราพราเราเป็นชาวพุทธเทวดาที่ชอบบทสวดมนต์เนี่ยต้องเป็นชาวพุทธแน่แนเลย ใช่เหมืันฝ่ายเราแน่ๆเลยเทวดาที่ชอบเนี่ยบางทีก็เป็นเทวดาทัานผู้ใหญ่มาทีนี่ก็ปรับบรรยากาศบ้านให้หน่าอยู่ให้สว่างสวัยอะไรร้ายๆก็ขับไล่ไปเทวดาทัานผู้ใหญ่เช่นท้าวเวสสวรรณชอบชอบสดชอบเสียงสดมนมีโยมสดม น, นชอบแล้วให้ความเคารพด้วยนะไม่อยู่ข้างบนมาหยุดสมมติว่าโยมสดอยู่นี่นะ เวลาเ็าหยุดก็หยุดอยูย่ตรงนู้นไม่อยู่บนหัวให้ความเคารพถ้าใครอะไรถ้าใครมีกำลังดีหน่อยสื่อสารกับท่านได้ท่านก็จะลงมาคุยด้วยแต่ไม่ต้องหวังตรงนั้นก็ได้อหวังใ น, นด้านของกรรมฐานดีกว่า เ ด, เดี๋ยวมันจะปรุงกลายเป็นตัวปลอมทำดีแล้วแบ่งความดีคนอื่นด้วยมีบุญกุศลก็แบ่งบุญกุศลให้คนอื่นบ้างลามีบุญกุศลบุญที่เราได้บำเพ็ญมาไม่ว่าจะเป็นการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นบุญที่เราได้ทําเองทําด้วยตัวเองเป็นบุญที่เราบำเพ็ญขึ้นเอง บุญอันนี้จะให้บุญมีกําลังเพิ่มขึ้นก็เอานําบุญเนี่ยเป็นเครื่องบูชาพระัตนไตรยัยตอนที่พระพุทธเจ้าวันที่พระุทเจ้าปริบัติผ่านเนี่ยก่อนที่จะปฏิบติผ่านมีมนุษย์และเทวดานําดอกไม้ของหอมมาถวายพระพุทธเจ้ากองโตเลยพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่ามันมีอา น, นิสงส์มากเหมือนกันนะแต่ยังไงก็ไม่เทียบเท่ากับการปฏิบัติบูชา การบวชบูบบชาเนี่ยเทียบกับการถวายดอกไม้ของหอมแล้วเทียบไม่ติดเลยและเป็นการบูชาที่พระเจ้าทรงสรรเสริญงนั้นเวลาเราได้บุญมาเนี่ยมันเป็นการปฏิบัติของเราเองเป็นการปฏิบัติคือเราให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นการปฏิบัติและนําการปฏิบัตินั้นบูชาพระพุทธเจ้าด้วยไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อเอาเข้าตัวแต่ปฏิบัติเพื่อบูชา มันจะไม่ใช่ว่าเป็นการเสริมตัวตนจะเป็นการทำให้เรามีกำลังใจในการปฏิบัติมากขึ้นเป็นการบูชาพระนรตะไตรบูชาความตัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าบูชาธรรมที่พระองค์ทรงสแสดงไว้ดีแล้วบูชาผู้ที่ฟังธรรมของพระองค์แล้วบรรลุมรรคผลเป็นลำดับดบจนกระทั่งถึงเป็นปารหันทุกๆพระองค์บูชาอย่างนี้แล้วมีบุญเพิ่มขึ้น บรุญที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยอุทิศให้กับผู้มีประคุณของเราผู้มีประคุณระดับประเทศชาติเรามาอยู่ในประเทศนี้มีที่อยู่มีที่อาศัยมีศาสนาประจาแผ่นดินนี้มีเหตุปัจจัยเหมือนกันเราได้ผลได้รับผลที่มีที่อยู่มีแผ่นดินอยู่มีพระศาสนาดำรงอยู่ในแผ่นดินนี้ด้วยบรรพบุรุษมากมายหลายท่าน ด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่างขอให้บัณฑรผู้ทำเหตุปัจจัยทำให้มีแผ่นดินให้เราอยู่มีศาสนาให้เราศึกษาพัฒนาจิตใจขอบัณฑรทุกๆท่านที่มีส่วนตรงนี้ได้บุญที่เราได้มาเป็นนี้แล้วด้วยบัณฑรของเราก็อาจจะเป็นคนธรรมดาก็ได้อาจจะเป็นพระมหากร์ทุกๆพระองค์ก็ได้รวมทั้ง ในหลวงองค์ล่าสุดก็คือในหลวงรัชการที่9รวมทั้งไม่ทั้งองค์ปัจจุบันในหลวงรัชการที่สินี้ด้วยนี่คือผู้มีเกียรติระดับส่วนรวมรประเทศชาติผู้มีเกคุณในระดับส่วนตัวก็คือผู้ให้กําเนิดของแต่ละคนคุณพ่อคุณแม่รวมทั้งผู้ได้อุปถัมภ์ช่วยเหลือเกื้อกูลชีวิตต่อมา ทุกคนทุกๆท่านไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องครูบาอาจารย์เพื่อนบ้านหลุมทั้งเพื่อนที่โรงเรียนเพื่อนที่ทํา ง, งานเพม่อนบัตปัญชาเพื่อนที่วัดเพื่อนร่วมปฏิบัติธรรมทุกๆคนที่ได้มีส่วนสนับสนุนชีวิตเราให้ได้รับความสะดวกสบายหรือช่วยแก้ไขปัญหาในโอกาสต่างๆนะ ให้มีส่วนแห่งบุญที่เราได้ได้บําเพชรนี้แล้วด้วยอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรก็คือผู้ที่เราได้เคยล่วงเกินด้วยกายบ้างด้วยวาจาบ้างหรือแม้ด้วยใจก็ขอให้บุญกุศลอันนี้จงถึงกับเจ้ากรรมนายเวรเรามีความปลื้มใจปีติใจในบุญอย่างไรขอให้ท่านทั้งหลายได้มีความปลื้มใจปีติใจเหมือนได้ทําเอง ให้คลายความอาฆาตปยาบาทต่างๆกลายเป็นอภัยกันเมตตาต่อกันมุ่งดีต่อกันคลายความอาฆาตปยาบาทไม่จองเวรต่อกันแม้เราเองถ้ามีใครเคยล่วงเกินเราด้วยกายบ้างด้วยวาจาบ้างหรือแม้ด้วยใจก็ขอใช้โอกาสนี้ให้อภัยกับบุคคลเหล่านั้นเรา ปรารถนาให้เจ้ากรรมในเวรของเราให้อภัยกับเราเช่นไรเราก็จะให้อภัยกับบุคคลที่ร่วงเกินเราเช่นเดียวกันจะไม่ขอเป็นเจ้ากรรมในเวรของใครอุทิ่เทียกับเราเทวดาที่ปกปักรักษาสถานที่แห่งนี้ปกปักรักษาสถานที่ใกล้เคียงบริเวณใกล้เคียงด้วยเทวดาที่ปกปักรักษาแผ่นดินปกปักรักษ า, าศาสนาด้วยให้เทวดาเหล่านั้นได้มีกําลังแห่งบุญบา ร, รมียิ่งยิ่งขึ้นไปอุทิศเทีกับ เราโปวาติกัที่กําลังเสบยวิบากที่เป็นทุกข์ก็ขอให้มาอนุโมทนาบุญที่เราในที่นี้ทุกๆคนร่วมกันอุทิศให้เรามีความปลื้มใจปิติใจในบุญกุศลที่เราได้มาเป็นแล้วเช่นไรขอให้ท่านได้มาร่วมปลื้มใจปิติใจบุญกุศลนั้นเหมือนได้ทําเองเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิไปสู่สุขติ ด้วยบุญกุศลที่ได้อันโมทนานี้และรักษาความเป็นสุขติภูมินั้นให้ยั่งยืนด้วยการรักษาศีลเจริญภาวนาตามสมควรแก่ฐานะของแต่ละคนบทิดออกไปไม่มีประมาณในสัตว์โลกทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ก็ให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขอยู่แลกกอให้สุขยิ่งขึ้นไปและขอให้บุญกุศลนั้นจงย้อนมาให้ผลกับเราทุกๆคนในที่นี้ด้วยถึงกลาวที่ต้องตัดสินใจ ในคราวใดในการตัดสินใจครั้งสงคัญสำคัญขอให้บุญกุศลนั้นจงมาเป็นเครื่องเตือนสติเตือนใจให้เราตัดสินใจอยู่ในแนวทางที่พระทองค์ทรงสั่งสอนอยู่ในแนวทางที่จะมาพัฒนาจิตใจที่จะมาเจริญศีลเจริญภาวนาเจริญปัญญาของเราต่อไปแล้วเราก็จะตั้งใจ ที่จะพัฒนาจิตใจตนเองตามความสอนของพุทธเจ้าให้ถึงความพน้นทุกข์ด้วยการตั้งต้มทุกคนวันมรน า, ารับผ่อนยะทาวะริวะหปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังปะกัปปะติอิติตังปฏิตังตุมหังกิปเมวัสมิจชชตุสะเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนรโสยถามณิโชติรโสยถาสพีติโยวิวัตชันตุสัพปรโกวินัสตุมาเตปวัตวันปราโยสุขีทิกาโยโกภวะอภิวาทนาสิเลสนิจังวุฒาปจายิโนจตตารธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลัง